ชีวิตของพวกเราก็เป็นเหมือนเรือที่ลอยอยู่ในกลางทะเลถ้าเราไม่มีพายไม่มีใบไม่มีหางเสือหรือไม่มีเครื่องยนต์เรือมันก็ต้องไหลไปตามกระแสน้ํากระแสลมมันก็จะลอยอยู่ในทะเลไปเรื่อยๆโอกาสที่มันจะไปขึ้นฝั่งนี่ ก็คงจะยากแต่ถ้าเรามีหางเสือมีใบหรือมีพายหรือมีเครื่องยนต์ไว้ควบคุมบังคับเรือเรือมันก็สามารถที่จะไปที่สู่จุดหมายปลายทางที่เราต้องการจะไปได้เช่นขึ้นฝั่งถ้าเราต้องไปขึ้นฝั่งถ้าเราไม่มีอะไรลอยคออยู่กลางทะเล ไม่มีใบไม่มีหังเสือไม่มีพายก็ทำไหลรไม่ได้ก็ต้องให้มันไหลไปตามกระแสลมกระแสน้ำลมมันก็พัดไปพัดมาน้ำมันก็พัดไปพัดมาโอกาสที่มันจะพัดขึ้นฝั่งนี้มันแทบจะไม่มีดนชีวิตของเราก็เหมือนกันถ้าเราไม่มีอะไรควบคุมจิตใจของเราปล่อยให้มันเป็นไปตามอารมณ์ความรู้สึกนึกคิด อยากจะทำอะไรก็ทำไม่อยากจะทำก็ไม่ทำมันก็จะพาให้เราวนวนมาอยู่ในวัฏฏะแห่งการเวียนว่ายตายเกิดเพราะส่วนใหญ่ความอยากของเราอารมณ์ของเรามันจะพามันจะให้เราไปหาของที่มีอยู่ในกลางทะเลมันจะไม่พาให้เราไปขึ้นฝั่งนั่นเองฝั่งที่พูดถึงนี้ก็คือพระนิพพาน การหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดการที่เราจะเอาจิตใจของเราที่เป็นเหมือนเรือนี้ให้ไปสู่ฝั่งของพระนิพพานได้เราก็ต้องมเอีเครื่องบังคับเรือเช่นจะเป็นเครื่องยนต์ก็ได้หรือเป็นใบสมัยก่อนสมัยโบราณก็ใช้ใบใช้หางเสือหรือใช้พายก็สามารถที่จะควบคุมบังคับเรือ ให้ไปสู่ฝั่งได้ถ้าเราจิตใจของพวกเราไม่ต้องการที่จะปล่อยให้มันเวียนว่ายตายเกิดในวัฏฏะสงสารไปเรื่อยๆเราก็ต้องมีเครื่องมือเครื่องมือนี้ก็คือธรรมธรรมที่พระพุทธเจ้าได้ทรงบำเพ็ญเรียกว่าบารมีบารมีนี่แหละที่เป็นธรรมให้พระไทยของพระพุทธเจ้าได้ไปถึงพระนิพพาน ถ้าพวกเราอยากจะไปพระนิพพานเราก็ควรที่จะมาทําตามที่พระเจ้าได้ทรงกระทําคือเจริญบา ร, รมีทั้ง10บประการเริ่มต้นด้วยเมตตาบา ร, รมีการที่เราจะทําความดีอะไรต่างๆได้เจริญบา ร, รมีข้อต่างๆได้เราต้องมีความเมตตาก่อน ถ้าเรามีความเมตตาความปรารถนาดีคิดดีต่อผู้อื่นปรารถนาให้ผู้อื่นมีความสุขไม่ต้องการมีเรื่องมีราวกับใครไม่ต้องการจะเบียดเบียนใครต้องการอยู่ด้วยความสงบเราก็ต้องมีเมตตาบารมีเวลาใครเขาพูดอะไรทำอะไรให้เราไม่พอใจเสียใจหรือเสียหายเราก็ต้องให้อภัย เรีกว่า a a อเวราโหนตุสัพเพสัตตาอเวราโหนตุ a a ไม่มีเวนไม่มีกรรมกันเพราะการจองเวนไม่ได้เป็นการระ ง, งับเวนแต่เป็นการก่อกรรมก่อเวนให้ยาวออกไปเวนย่อมระ ง, งับด้วยการไม่จองเวนการไม่จองเวนนี้เราก็เรียกว่าการให้อภัยเป็นคุณสมบัติของผู้มีความเมตตาเราต้องหัด เจรญบทเมตตานี้สับเบสัตตาอเวราหตุจงอย่ามีเวรกันเถิดอเ บ, บยาปัจชาหตุย่จงอย่าได้เบียดเบียนกันเถิดอานิฆาโหนตุหตุขอให้มีความสุขขอให้พ้นจากความทุกข์เถิดสุขีอัตานังปริหะรันตุขอให้มีความสุขรักษาตนเถิดะ เราจะให้แต่ความสุขแก่ผู้อื่นเราจะไม่ให้ความทุกข์แก่ผู้อื่นผู้ที่มีความเมตตาเวลามีอะไรที่เราแบ่งปันได้เราก็แบ่งปันกันไปมีข้าวมีของมีอะไรที่เราเหลือเพื่อไม่จำเป็นที่จะต้องเก็บเอาไว้เราก็เอาไปแจกเอาไปจ่ายกันอันนี้ก็เป็นการสร้างความเมตตาต่อกันละกัน ถ้าเรามีความเมตตาเราก็จะสามารถเจริญบา ร, รมีข้อที่สองหน้คือทานบารมีทานบารมีก็เป็นเป็นผลที่เกิดจากการมีความเมตตาเราอยากให้คนมีความคนอื่นมีความสุขอยากจะช่วยบรรเทาความทุกข์ความเดือดร้อนของผู้อื่นเช่นพระสงฆ์องค์เจ้านี้ต้องอาศัยการทาทานของญาติโยมใส่บาตรถวายปัจจัยสี่ เพื่อให้พระสงฆ์องค์เจ้าอยู่กันอย่างสุขอย่างสบายเพื่อท่านจะได้ทําหน้าที่ของท่านก็คือศึกษาและปฏิบัติธรรมแล้วพอได้บรรลุธรรมแล้วก็จะได้เอาธรรมอันวิเศษนี้มาสั่งสอนญาติโยมต่อไปถ้าเรามีเมตตาบารมีเราก็จะทําทานบารมีได้เราก็จะมีอะไรที่เรา ไม่จำเป็นที่จะต้องเก็บเอาไว้ตายไปเราก็เอาไปไม่ได้เอามาทำทานดีกว่าแล้วทานนี้มันจะพาให้เราไปสู่พระนิพพานเป็นส่วนหนึ่งที่จะพาให้จิตใจของเราหันไปทางพระนิพพานถ้าเราเอาเงินไปซื้อตามซื้อของตามความอยากต่างๆเอาเงินไปทำตามความอยากต่างๆมันก็จะหันจิตของเราให้ไปในการเวียนว่ายตายเกิด เพราะความอยากต่างๆนี้จะดึงใจให้เรากลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายอยู่เรื่อยๆนั่นเองแต่ถ้าเราเอาเงินที่เราจะไปใช้ซื้อของตามความอยากหรือไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆตามความอยากเอาเงินนี้มาทําบุญอย่างวันนี้ช่วงนี้ช่วงสามวันนี้เป็นวันหยุดราชการบางคนก็จะไปเที่ยวกันก็ต้องเอาเงินใช้เงินไปเที่ยว ไปต่างจังหวัดไปต่างประเทศก็ต้องใช้เงินหลายสตางค์แต่คนที่อยากจะทำบุญก็มาอยู่วัดแทนมาอยู่วัดมาทำบุญที่วัดก็เปลี่ยนเป้าหมายของชีวิตจากการไปหาความสุขทาตามความอยากต่างๆมาหาความสุขด้วยการมาสร้างบารมีเพื่อที่จะได้ดึงจิตใจให้ออกจากวัฏฏะแห่งการเวียนว่ายตายเกิด เพื่อให้ไปสู่พระนิพพานการทําทานนี้ก็เพื่อระงับการระงับความอยากที่จะเอาเงินไปซื้อไปทําอะไรตามความอยากนั่นเองอย่างที่ผูดนี้อย่างที่หยุดสาวันนี้แทนที่จะไปเที่ยวไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ่นกายก็มาทําทานกันมาอยู่วัดมาทําทานอพอเราทําทานแล้วเราก็ รักษาศีลได้เพราะคนที่ทําทานนั้นไม่ไม่ชอบเบียดเบียนผู้อื่นไม่ชอบสร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่นชอบให้คนอื่นเขาอยู่อย่างมีความสุขเนี่ยจะทําอะไรก็ต้องระมัดระวังต้องคิดว่าทำแล้วคนอื่นก็เดือดร้อนหรือเปล่าอก็จะไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดประเวณีไม่พูดปดโกหกหลอกลวงไม่ดื่มเชื่อรายาเมา พาการกระทำเหล่านี้จะทําให้ผู้อื่นเดือดร้อนนั่นเองผู้ที่มีทําทานได้ก็จะรักษาศีลได้ศีลก็เป็นบารมีข้อที่สามข้อที่หนึ่งก็เมตตาบารมีข้อที่สองก็ทานบารมีข้อที่สามก็ศีลบารมีอมรมพอมีศีลมีความสงบไม่วุ่นวายไปกับการทําบาป ก็จะทําให้มีกำลังที่จะรักษาศีลเพิ่มมากขึ้นไปศีลห้า น, นี้เป็นการป้องกันไม่ให้เราไปทําร้ายพื้นเบียดเบียนพื้นสร้างความเดือดร้อนกับพื้นเพื่อเราจะได้ไม่เดือดร้อนจากการกระทําของเราใจของเราจะได้สงบถ้าเราต้องการให้ใจสงบมากกว่านี้เราก็ต้องมาเพิ่มอีกสามข้อเป็นศีลแปด เพื่อที่เราจะได้กำจัดกิจกรรมที่ทำให้ใจเราวุ่นวายกันกิกิจกรรมทางกามอารมณ์ทางตาหูจมูกเลิ้นงกายสีลก้าสามก็เปลี่ยนจากเปลี่ยนมาจากการประพฤติไม่ประพฤติผิดประเวณีมาเป็นไม่เสพกามถือศีลปรมจรรย์อภารมจริยา เวรมณีคือไม่ร่วมหลับนอนกับคู่ครองของตนสินห้านี้ยังอนุญาตให้ร่วมหลับนอนได้แต่ต้องหลับนอนกับคู่ครองของตนถึงจะไม่ผิดประเวณีถ้าไปร่วมหลับนอนกับผู้ที่ไม่ใช่คู่ครองก็ถือว่าเป็นการผิดประเพณีก็จะผิดศินข้อสามของผู้ที่ถือศินศินห้าแต่ถ้าถือศินแปดนี้ก็ ห้ามเด็ดขาดห้ามร่วมหลับนอนกับแม่แม่ที่เป็นผู้คองคู่คร อ, องของเราก็ไม่ร่วมหลับนอนด้วยจะไม่หาความสุขจากการร่วมหลับนอนร่วมกันแต่จะเอาเวลาที่ไปร่วมหลับนอนกันนี้มาหาความสุขทางทางจิตใจคือมาทำจิตใจให้สงบด้วยการถือศีลแปดเราก็จะมีเวลามาทำ กิจกรรมทางจิตใจเพื่อมานั่งสมาธิมาเดินจงกรมมาศึกษาพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าข้อศี่ข้อ ส, อสก็เปลี่ยนเป็นอัปปรมัจจริยาแล้วก็เพิ่มสีลข้อ6คือไม่รับประทานอาหารมากเกินความต้องการของร่างกายรับประทานเพียงเที่ยงวันก็พอเพียงแล้วสําหรับร่างกาย ถ้ารับประทานมากกว่า น, นั้นก็ถือว่ารับประทานตามความอยากของของตัณหาของความอยากถ้ารับประทานตามความอยากมันก็จะติดมันก็จะอยากอยู่เรื่อยๆอยากจะรับประทานอยู่เรื่อยๆบางทีสามมื้อยังไม่พอมีสี่มือ้อห้ามือ้อช่วงก่อนนอนนอนตอนื่นขึ้นมาก็ยังอาจจะไปเปิดตู้เย็นหาอะไรเอกินต่อเอก็จะติดอยู่กับเรื่องของกลามอารมณ์ จะไม่มีเวลาที่จะมานั่งสมาธินั่งก็จะนั่งหลับเพราะว่าเวลารับประทานอาหารมากๆมันก็จะมีความง่วงเหงาหงอนมีความเกลียดคร้านอากอยากจะนอนมากยิ่งมากกว่าอยากจะนั่งพุเาาจ้าเลยต้องให้รับประทานอาหารพอประมาณคือไม่เกินเที่ยงวันไปแล้ว เพื่อจะได้มีเวลาว่างหลังจากเท่งวันไปแล้วจะได้ไม่ต้องมากังวลกับการหาอะไรมารับประทานจะได้มีเวลามาทำใจให้สงบสินข้อที่เจ็ดก็ไม่ให้ไปเสียเวลากับการหาความสุขจากโมหรสพ บ, บันเทิงต่างๆดูละครน้องำํำทำเพลงไปเที่ยวตามสถานบันเทิงหรือไปเที่ยวตามสถานที่ท่องเที่ยว หรือไปงานเลี้ยงต่างๆหรือไปเดินตามห้างตามร้านดูของสวยๆงามๆซื้อข้าวซื้อของอะไรที่ไม่จำเป็นต่างๆเอาเวลามาทำจิตใจให้สงบเพราะความสงบนี้จะทำให้จิตเป็นพระนิพพานขึ้นมานั่นเองความไม่สงบนี้ทำให้จิตใจต้องเวียนว่ายตายเกิดถ้าอยากจะไปนิพพานต้องทำใจให้สงบ ถ้ายังมีความอยากอยู่ในใจจะสงบไม่ได้ถ้ามีความอยากเสพ ร, รูปเสียงกลิ่นรสมันก็จะทําให้ใจในิ้ดิ้นไปหารูปเสียงกลิ่นรสเสพเท่าไหร่ก็ไม่อิ่มไม่พออยากอยู่เรื่อยๆก็ต้องเสพไปเรื่อยๆตายไปก็กลับมาเกิดใหม่เพราะความอยากเสพมันไม่หมดมันยังอยู่ต่อจะให้มันหมดก็ต้องทําใจให้สงบเท่านั้น ต้อไม่เสพไม่ต้องต้องไม่ทําตามความอยาก เ, เราก็จะจะเรียบา ร, รมีข้อที่4ได้คือเนคขมมะบา ร, รมีคำว่เาเนคขมมะแปลว่าการออกจากกามสุขนั่นเองเอนคขมมะเราปกติจิตใจของของปุถุชนธรรมดาอย่างพวกเรานี้จะต้องอาศัยการเสพการเป็นการ เป็นการหาความสุขกันเพราะเราไม่รู้จักวิธีหาความสุขของพระอริยเจ้าก็คือหาความสุขจากความสงบแต่ตอนนี้เราได้มาพบกับคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ทรงสอนว่าความสุขของพระอริยเจ้าดีกว่าความสุขของผู้ครองเรือนดีกว่าความสุขที่เสพได้จากการเสพรูปเสียงกลิ่นรส ความสุขที่เกิดจากความสงบนี้เหนือกว่าความสงบเหนือกว่าความสุขทั้งปวงจะเสพจะสัมผัสกับความสงบได้ก็ต้องมีเวลามาจ ะ, จะเล่นิ่งขำมามาหยุดกิจกรรมทางกา ร, รอารมณ์กันสิบแปดสิบที่เพิ่มมา3ข้อนี้เป็นการห้ามกิจกรรมทางการอารมณ์แม้แต่การรับนอนมากๆก็ถือว่าเป็นกา ร, รอารมณ์อย่างหนึ่ง จึงห้ามไม่ให้นอนบนผูกนานาะถ้านอนบนผูกนานาะมันจะนอนมากเกินความจาเป็นเกินความต้องการของร่างกายธรรมดาร่างกายนี้พักผ่อนสักสี่ห้าชั่วโมงก็จะก็หายเหนื่อยก็จะตื่นขึ้นมาแต่ถ้านอนบนผูกนาหนาะเวลาตื่นขึ้นมาแล้วมันสบายก็เลยไม่อยากจะลุกก็นอนต่อที่นอนตามความอยากนอนเพราะมันมีความสุขจากการหลับนอนบนผูกนาหนาะ แต่ถ้านอนบนพื้นแข็งๆพอมันร่างกายตื่นขึ้นมาแล้วมันก็ไม่อยากจะนอนต่อเพราะมันไม่สบายสู้ลุกขึ้นมานั่งจะสบายกว่าเนี่ยอุบายของนักปราชญ์ท่านถึงสอนให้ไม่ให้นอนบนฟูกหนาๆบนเตียงใหญ่ๆสังเกตดูพวกเสพกรามนี้ก็ชอบเตียงใหญ่ๆเตียงโมโหลานมีฟูกหนาเป็นนิ้วเป็นศอกกระโดดตกลงมาจากแต่ก็ไม่รู้จักเจ็บ เพราะมันนุ่มแต่มันจะทำให้ติดกับกวามมาสุขความสุขทางร่างกายก็เลยต้องตัดการนอนบนฟูกานาๆเตียงใหญ่ๆอย่านอนแบบสบายนอนแบบให้ร่างกายได้พักผ่อนร่างกายนี้เวลามันเหนื่อยมันง่วง น, นอนที่ไหนก็ได้นอนบนหินนอนบนโขดหินมันก็หลับถ้าเวลามันเหนื่อยจริงๆนอนตรงไหนมันก็หลับแล้วมันก็จะไม่หลับมากพอมันนะ พอมันได้พักผ่อนพอมันตื่นขึ้นมามันก็ไม่นอนแล้วเพราะมันไม่สบายนี่คือศีลข้อแปดข้อนี้ผู้ที่รักษาศีลแปดนี้ก็ถือเป็นกําลังเจริญในคข ม, มะบารมีคือออกจากการหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายออกจากกามาสุขแล้วนี่ก็เป็นบารมีข้อที่สี่ที่เราจะบําเพ็ญเป็นขั้นๆไปขั้นแรกก็เจริญอ จะเริญเมตตาบา ร, รมีก่อนทำใจให้เราเป็นคนที่มีความคิดดีปรารถนาดีต่อผู้อื่นอยากคิดร้ายปรารถนาร้ายต่อผู้อื่นถ้าคิดร้ายแล้วจะทำทานไม่ได้เพราะว่าจะไม่อยากให้ผู้อื่นได้ดิไดดีไม่อยากจะให้ใครเขามีความสุขคนที่คิดร้ายนี่อยากจะให้คนอื่นเขามีความทุกข์ ถ้าอยากให้ก็มีความทุกข์ก็จะไม่อยากจะทําบุญทำทานต้องมีความเมตตาต้องสร้างความเมตตาขึ้นมาภายในใจให้คิดว่าโกเขาโกเราเหมือนกันทุกคนต้องการความสุขเหมือนกันไม่มีใครต้องการความทุกข์ทุกคนต้องการมีมิตรทุกไม่มีใครอยากจะมีศัตรูถ้าเราไปทาเราไปเป็นศัตรูกับเขาเขาก็กลับมาเป็นศัตรูกับเราการมีศัตรูนี้มันไม่ดี ไม่เหมือนกับการมีมิตรการมีมิตรนี่มันดีมิตรภาพนี้ทําให้เราอยู่ร่วมกันได้อย่างร่มเย็นเป็นสุขถ้าเราเป็นศัตรูกันเราก็จะอยู่กันอย่างไม่สุขจะต้องคอยทําร้ายกันทําลายกันเงนั้นขอให้เราเราต้องสร้างความเมตตาขึ้นมาคิดถึงหัวอกเขาหัวอกเราเขาก็อยากจะมีความสุขเราก็อยากจะมีความสุข ถ้าเราให้ความสุขกับเขาเขาก็ย่อมให้ความสุขกลับมาให้กับเราเวลาเรามีความสุขเรามีอะไรเราอยากจะให้ผู้อื่นเราจะคิดถึงใครก่อนเราก็คิดถึงคนที่เขาให้ความสุขกับเราก่อนคนที่เคยให้อะไรเราเราก็อยากจะตอบแทนบุญคุณของเขาคนที่ไม่เคยให้อะไรเราเราจะไปให้เขาหรือเปล่าหรือคนที่คอยทำร้ายเราเราจะไปให้เขารอเปล่าเราก็จะไม่ไปให้คนที่ เขาคิดร้ายกับเราถ้าเราคิดดีกับผู้อื่นผู้อื่นเขาก็จะคิดดีกับเราเป็นเหมือนกระจกสระจสองหน้าเราเนี่ยเวลาเราดูหน้าเราที่กระจกถ้าเรายิ้มกระจกมันก็จะยิ้มภาพในกระจกก็จะยิ้มกลับมาหาเราถ้าเราแยกเคี้ยวมันก็จะแยกเคี้ยกับมาหาเราจันไดเวลาเราไปแยกเคี้ยวใส่คนอื่นดูเด้เขาจะยิ้มให้กับเราเปล่าถ้าเรายิ้มให้กับคนอื่นคนอื่นเขาก็จะยิ้มให้กับเรา เยันก็ให้เราคิดถึงแบบนี้แล้วจะทําให้เราอยากจะมีความเมตตาเพราะเราจะได้มีมิตรมีมิตรนี่มันอุ่นอมอุดใจดีกว่ามีศัตรูมีศัตรูแล้วไม่สบายใจยันเราสามารถสร้างมิตรได้ทําลายศัตรูได้ด้วยความเมตตานี่คนที่จะมาเป็นศัตรูกับเราเราก็ให้อภัยเขาไปไม่ตอบโต้เอะ ใครจะมาทำร้ายเราทำอะไรให้เสียหายเราก็จะเอาเวลาโหนตุไปไม่จองเวรจองกรรมกันให้อภัยกันคิดว่ามันก็เกิดขึ้นแล้วเขาทำอะไรให้มันเสียหายมันก็เกิดขึ้นไปแล้วมันก็ผ่านไปแล้วมันก็เอากลับมาให้มันเหมือนเดิมไม่ได้เช่นเขาทำแก้วแตกนี่จะไปเอาแก้วกลับมาให้มันหายเหมือนเดิมก็มไม่ได้อยู่ดีไปด่าเขาไป มีเรื่องมีราวกับเขาแก้วมันก็ยังแตกอยู่างนั้นแต่มันจะทําให้เรื่องราวใหญ่โตขึ้นไปโดยใช่เหตุอย่างถ้าเรายุติเราหยุดเรายอมหยุดเราก็จะเย็นคือยอมแพ้แพ้เป็นพระยอมแบบพระยอมแบบพระแพ้แบบพระแพ้เป็นพระชนะเป็นมารถ้าเรายอมแพ้เราไม่ตอบโต้เขาก็ไม่มายุ่งกับเราต่อไป แต่ถ้าเราไปตอบโต้เดี๋ยวเาก็จะกลับตอบโต้กลับมาอีกมันก็จะเป็นเรื่องใหญ่เป็นสงครามขึ้นมาได้นี่คืออ น, นิสงของการมีความเมตตาถ้าเราเห็นอ น, นิสง์ที่เราจะได้รับจากการเมตตาก็จะทำให้เรามีความอยากที่จะมีความเมตตาพระพุทธเจ้าทรงสแสดงอ น, นิสง์ของความเมตตานี่มีหลายประการด้วยกัน หนึ่งก็คือจะเป็นที่รักของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายจะไม่มีใครรังเกียจคนที่มีความเมตตาไปที่ไหนก็มีแต่คนยินดีต้อนรับสองเดินเตื่นก็เป็นสุขหลับก็เป็นสุขจะมีความสุขตลอดเวลาสามเวลานอนหลับก็ไม่ฝันร้ายสี่จะไม่ตายด้วยสัตว์ราวุธหรือยาพิษต่างๆเพราะจะไม่มีใครจะมาคิดทาร้ายเรา ไม่คิดทำร้ายคนที่มีความเมตตาถ้าจะตายก็ตายด้วยอุบัติเหตุหรือตายด้วยเหตุที่ไม่ได้มีผู้เจาะจงที่จะมาตั้งหน้าตั้งตาจะมาทำร้ายกันเพราะคนมีความเมตตาไม่ได้ไปสร้างความเสียหายไม่ได้ไปสร้างความเดือดร้อนให้กับใครแล้วจะมีใครจะมาทำร้ายผู้ที่มีความเมตตาแล้วก็เวลาตายไปก็จะไปสู่สุคติเพราะไม่เบียดเบียนไม่ทำบาป คนที่มีความเมตตาจะไม่ทำบาปไม่เบียดเบียนพูดตายไปก็ไม่ไปอบายไปสู่สุคตินี่เกอออนิสงค์จากของการมีความเมตตาถ้าเราเห็นประโยชน์ที่เราได้รับจากความเมตตาเราจะเห็นว่าคุ้มค่าเสียข้าวเสียของเล็กๆน้อยๆเราได้ความได้อนิสงค์ของความเมตตานี้มันมโหมหาศาลเสียเงินเล็กๆน้อยๆ อ, อย่างเอาเงินมาทาบุญ หรือเอาเงินไปช่วยเหลือคนที่เขาเดือดร้อนหรือเขาไม่เดือดร้อนเราก็ซื้อของไปฝากเขาได้วันเกิดวันอะไรก็มีอะไรก็เอาไปให้เขาไปสร้างสร้างมิตรภาพแผ่เมตตาเนี่ยนี่คือวิธีแผ่เมตตาต้องแผ่ด้วยการกระทําไม่ใช่นั่งสวดอยู่ที่ห้องพระตอนที่นั่งสวดอยู่ในห้องพระยังไม่ได้แผ่เป็นการศึกษา เป็นการสอนใจเป็นการเตือนใจว่าเราต้องแผ่เมตตาเวลาที่เราพบปะกับมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายไม่ใช่เวลาอยู่ห้องพักก็สวดเอาเวลาโหนตุพอไปเจอใครด่าก็ด่ากลับทันทีอย่างนี้ไม่ได้แผ่เวลาใครก็ดา่าเราก็บอกสาธุสาธุดีเป็นข้อสอบดูว่าเรามีเมตตาจริงหรือไม่ถ้าเรามีเมตตาจริงเราก็จะสาธุไป ถ้าเราไม่มีเมตตาพอใครด่าเราเราก็ด่ากลับทันทีเหมือนกับมีนิทานเรื่องหนึ่งที่มีญาติโยมไปฟังเทศฟังธรรมหลวงปู่หลวงตารูปหนึ่งฟังนั้นก็บอกว่าจิตใจสงบกิเลสความโลภความโกรธนี่หายไปหมดเลยไปกราบเล่าให้หลวงปู่หลวงตาฟังพอท่านได้ยินท่านก็บอกไอกต้อแหล่เ <laughs> <laughs> ท่านั้นนะความโกรธก็ขึ้นเลย บางทีกิเลสมันหลบในไงน้องปูน้องตาท่านจะทดสอบใจท่านก็เลยต้องพูดไปในคำนองนั้นดูว่ายังมีอยู่หรือเปล่าถ้าไม่มีความโกรธก็จะเฉยๆก็สาธุน้องปูว่าหนูตอแหลนี่ก็คือเรื่องของความเมตตาต้องสร้างต้องศึกษาอานิสงส์ของการมีความเมตตา ถึงผลดีที่เราได้จะได้รับจากการมีความเมตตาเราจะเห็นว่ามันคุ้มค่าต่อการลงทุนเขาทำอะไรให้เราโกรธแล้วเราให้อภัยเขานี่ปัญหาทั้งหลายจบหมดไม่มีปัญหาตามมาเอทธินเราเสียหายเล็กน้อยเสียไปแล้วมันก็ต้องเสียอยู่แล้วเหมือนก็ผ่านไปแล้วแต่เราจะไม่มีศัตรูถ้าเราไปมีเรื่องมีราวกับเขาเขาก็จะมีเรื่องมีราวกับเราต่อไป ก็จะเสียหายมากไปกว่านี้เ อ, องฉนั้นขอให้เรายอมเสียเถอะยอมแพ้แพ้เป็นพระแพ้แบบพระออย่าไปชนะแบบมารชนะแบบมานี้จะทําให้เกิดมีศัต ร, รูขึ้นมาไปเที่ยวเข็นไปไปตอบโต้ไปทำร้ายเขาเขาทำร้ายเราเราก็ไปทำร้ายเขาหนักกว่าที่เขามาทําร้ายเราซะอีกก็จะทําให้เขายิ่งโกรธยิ่งเกลียดเราเพิ่มมากขึ้นไปใหญ่ ถ้าเรามีความเมตตาแล้วเราก็จะทำทานได้สร้างทานบารมีได้ถ้าเราสร้างทานบารมีได้เราก็จะสร้างศีลบารมีได้เมื่อเราสร้างศีลบารมีได้เราก็จะสร้างเนคข ม, มะบารมีได้มาอยู่วัดมารักษาศีลแปดมาปิกวิเวกได้เมื่อเราสร้างเนคข ม, มะบารมีได้เราก็จะมาสร้างอุเบขาบารมีได้อุเบขาบารมีก็เกิดจากการนั่งสมาธิทาใจให้สงบนะ พอใจสงบรวมเป็นหนึ่งเป็นอัปปนาสมาธิก็จะได้อุเบกขาขึ้นมาอุเบกขานี่เป็นสิ่งที่มีคุณค่ายิ่งกว่าอะไรทั้งหมดในโลกนี้เพราะทาให้จิตใจเราเย็นสบายไม่เดือดร้อนกับอะไรทั้งสิ้นพราะใจจะปราศจากความรักความชังความกลัวความหลงจะรู้สึกเฉยๆกับทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะดีหรือจะเลวจะจะ จะชั่วหรือจะร้ายใจของเราจะรู้สึกเฉยเฉยแม้แต่กับสังขารร่างกายของเราจะเจ็บไข้ได้ป่วยใจก็ไม่เดือดร้อนกับความเจ็บไข้ได้ป่วยของร่างกายร่างกายจะตายใจก็ไม่เดือดร้อนถ้ามีอุเบกขาแต่อุเบกขานี้ถ้าอยากจะให้มันมีตลอดเวลาก็ต้องเจริญบา ร, รมีข้อต่อไปคือปัญญาบา ร, รมีเพราะเราไม่สามารถอยู่ในสมาธิได้ตลอดเวลา เรายังมีร่างกายที่ยังต้องมาดูแลอยู่เราต้องออกจากสมาธิมาเพื่อมารับประทานอาหารมาดื่มน้ำํำมาเปลี่ยนเอริยาบทของร่างกายเราก็เวลาออกมาถ้าเรามาสัมผัสรับรูบ้กับเรื่องราวต่างๆหรือคิดถึงเรื่องราวต่างๆก็อาจจะทําให้เกิดมีตัณหามีกิเลสโผล่ขึ้นมาได้ถ้าเราไม่มีปัญญา กิเลตัณหามันก็จะมาทำลายความสงบของใจทำลายอุบเบกขาได้ถ้าเราอยากจะให้มีอุบเบกขาหลังจากออกจากสมาธิมาแล้วเราก็ต้องใช้ปัญญาคอยกำจัดความโลภความอยากต่างๆเวลาโลภอยากได้อะไรก็ใช้ปัญญาชี้ให้เห็นว่าก็เป็นการไปหาความทุกข์ไม่ได้เป็นการไปหาความสุข ความสุขก็เป็นความสุขแบบเหยื่อที่ติดอยู่ปลายเบ็ดอยากได้อะไรก็ไปเอามาพอเอามาแล้วก็ติดต้องเอามาอยู่เรื่อยๆอยากสูบบุหรี่ก็ไปสูบพอสูบแล้วก็ติดก็ต้องสูบเรื่อยๆเวลาไม่มีบุหรี่สูบก็หงุดหงิดนาขาดใจทุกข์ใจทรมานใจความอยากจะพาไปสู่ความหงุดหงิดความทรมานใจไม่ช้าก็เร็วเพราะร่างกายที่เป็นเครื่องมือที่จะ ทำตามความอยากนี้มันจะต้องหมดสภาพไปในวันใด ว, วันหนึ่งเวลามันแก่เวลามันเจ็บไข้ได้ป่วยเวลามันตาย ม, มันจะไม่สามารถทําตามความอยากได้เวลานั้นก็จะมีแต่ความทุกข์ทรมานใจจนถึงบางทีไม่อยากจะอยู่คนที่เจ็บไข้ได้ป่วยไม่สามารถหาความสุขได้แล้วก็ไม่สามารถรักษาให้หายได้บางทีก็อยากจะให้หมอช่วยฉีดยา ให้ตายไปเพราะไม่รู้จะอยู่ไปทําไมไม่สามารถหาความสุขได้แต่คนที่มีอุเบกขานี้จะไม่เดือดร้อนยังมีความสุขได้เหมือนเดิมเหมือนตอนที่ไม่ได้เจ็บไข้ได้ป่วยเพราะความสุขนี้อยู่ที่ใจไม่ต้องเพิ่งร่างกายเป็นเครื่องมือแต่คนที่ต้องเพึ่งร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขตามอำนาจของความโลภความอยากก็จะเดือดร้อนเวลาที่ร่างกายไม่สามารถที่จะตอบสนอง ความอยากได้นี่เป็นเหตุผลว่าเราต้องมาหยุดความอยากกันแล้วเราใช่อุบเบกขาเป็นเครื่องมือให้ความสุขกับเราทําใจของเราให้สงบถ้าเราหยุดความอยากได้อุบเบกขาที่เราได้จากสมาธิก็จะกลับคืนมาตัวที่จะมาทําลายก็คือความอยากความโลภนี้เองแต่ถ้าเราพอทุกทั้งที่เราโลภเราอยากเราก็บอกว่ากําลังไปหาความทุกข์ทรมานใจ ที่จะตามมาต่อไปในอนาคตในเบื้องต้นอาจจะได้ความสุขอยากจะดูอะไรพอได้ดูก็มีความสุขแต่พอถึงเวลาไม่สามารถจะได้ดูดูไม่ได้แล้วตอนนั้นก็จะกลายเป็นความทุกข์ขึ้นมานี่คือปัญญาบาลมีอันนี้จะเกิดขึ้นได้ก็ต้องมีพระพุทธศาสนาถ้าไม่มีพระพุทธศาสนานี้ก็ต้องเป็นพระโพธิสัตว์อย่างพระพุทธเจ้าเท่านั้นที่จะสามารถ จเจริญปัญญาบารมีได้ด้วยตนเองเราโชคดีเรามาเกิดในยุคที่มีพระพุทธศาสนาปัญญาบารมีของพวกเรามันจึงง่ายเพราะเราฟังเทศฟังธรรมกันอยู่เรื่อยๆจนรู้ว่าตัวที่เป็นปัญหากับชีวิตจิตใจของพวกเราก็คือตั้นหาความอยากนี่เองสำหรับพระพุทธเจ้าตอนที่ทรงบำเพ็ญ น, นั้นพระองค์ไม่รู้ว่าตัวไหนเป็นตัวปัญหาต้องลองผิดลองถูก ไปทรามานร่างกายก็คิดว่าร่างกายเป็นปัญหาอดข้าวอาหารอดพัคกายอาหารจนสี่สิบเก้าวันเกือบจะตายกิเลสตัณหามันก็ยังไม่หายไปก็เลยต้องย้อนกลับมาคนดูว่ามันอยู่ตรงไหนก็ค้นว่ามันอยู่ที่ใจแล้วมันเกิดจากอะไรมันก็เกิดจากความหลงความหลงที่ไปคิดว่าการทำตามความอยากแล้วจะมีความสุข แต่ที่ไหนได้ทําตามความอยากแล้วมันจะมีความทุกข์เพราะเวลาร่างกายแก่เจ็บตายนี้มันไม่สามารถทําได้มันก็จะทุกข์ทรมานใจอันนี้ต้องอาศัยบา ร, รมีของพระพุทธเจ้าถึงจะได้ปัญญาบา ร, รมีถ้าเรามาเกิดในยุคของที่มีพระพุทธเจ้าเนื่องการเจริญปัญญาบา ร, รมีนี้มันก็ง่ายแสนง่ายพระพุทธเจ้าท่านแสดงให้เราเห็นอย่างชัดเจน ทุกเกิดจากตัณหาความอยากการจะดับความทุกข์ให้หายไปก็ต้องใช้เมคธรรม ะ, ะการถือศีลแปดต้องใช้สมาธิความสงบอุเบกขาใช้ปัญญาให้เห็นโทษของตัณหาความอยากพอเราเห็นโทษของความอยากเราก็หยุดทำตามความอยากความอยากก็จะหายไปหมดแล้วก็จะไม่มีอะไรมาทำลายความสงบทำลายอุเบกขา ใจก็จะสงบจะมีความสุขไปตลอดไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับร่างกายก็ไม่เป็นปัญหาอะไรต่อไปถ้าไม่มีคำสอนของพระพุทธเจ้าก็ต้องบำเพ็ญต่อไปเนี่ยที่จะมาติดกันก็ามาติดที่ปัญญาบารมีนี่ต้องรอให้พบกับพระพุทธเจ้าถึงจะสามารถเจริญปัญญาบารมีได้นอกจากเรามีความาความฉลาดเหมือนกับพระพุทธเจ้าเท่านั้น่ะที่จะสามารถ เจริญปัญญาบารมีได้ด้วยตนเองผู้ที่เจริญปัญญาบารมีได้ด้วยตนเองเราถึงเรียกว่าพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ตัดทารุณ ด, ด้วยด้วยพระองค์เองผู้อื่นนี้ต้องเป็นสาวกทั้งนั้นถึงจะไปถึงนิพพานได้ในศาสนาพุทธนี้มีพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเพียงองค์เดียวนอกนั้นนี้เป็นภาษาวกด เพราะสาวกนี่ง่ายมีครูสอนแล้วนักเรียนจะผลิต น, นักเรียนมากี่กี่คนก็ผลิตได้แต่ถ้าไม่มีครูสอนเนี่ยจะไม่มีนักเรียนเรียนไปก็ไม่ไม่รู้ว่าจะเรียนอะไรไม่รู้ว่าใครจะมาสอนใครเัี่ต้องมีครูขึ้นมาก่อนครูก็คือพระพุทธเจ้าพอมีพระพุทธเจ้าแล้วก็จะมีนักศึกษานักเรียนมาเรียนกับพระพุทธเจ้าแล้วก็เรียนจบปริญญากันเป็นพระอรหันตสาวกันขึ้นมา พระอาหารหันต์จะมีสองแบบพระอาาระันต์ัสมมาสัมพุทธเจ้ากับพระอาหารหันต์พระอรันต์สาวกพระอรันต์ัสมมาสัมพุทธเจ้าก็คือเป็นผู้ที่มีปัญญาสร้างปัญญาขึ้นมาได้ด้วยตนเองผู้ที่เป็นอาหารหันตัสาวกก็คือผู้ฟังคําว่าสาวกนี้แปลว่าผู้ฟังต้องฟังจากผู้รู้คือพระพุทธเจ้า พอได้ฟังแล้วก็จะสามารถนําออกไปปฏิบัติทําให้จิตหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายทําให้ถึงพระนิพพานได้เนี่ยงไม่เป็นแปลของแปลกที่พอมีพระพุทธเจ้าเพียงองค์เดียวนี้มีพระ้าตัดสาวกเป็นหมื่นเป็นแสนขึ้นมาได้แต่ก่อนหนะ้าที่มีที่จะมีพระพุทธเจ้านี้ไม่มีใครบรรลุไปถึงพระนิพพานได้แม้แต่คนเดียวต้องรอให้มีพระพุทธเจ้าตัดสรู้ก่อนค้นพบปัญญา น, นี้ก่อน คนพบพระอริยสัตวี่ว่าทุกเกิดจากตัณหาความอยากความดับของความทุกเกิดจากการเจริญบารมีต่างๆเช่นศีลบารมีทานบารมีเนฆา ม, มบารามีอุเบกขาบารมีและปัญญาบารมีอันนี้ก็จะทำให้ผู้บาเพ็ญนี้ดุดพ้นได้และการที่เราจะ สร้างบา ร, รมีเหล่านี้ได้เราก็ต้องอาศัยอธิษฐานบา ร, รมีอธิษฐานนี้ในใตภาษาพระแปลว่าความตั้งใจไม่ได้แปลว่าการขอถ้าทางของญาติโยมนี้จะเข้าใจความหมายว่าอธิษฐานคือการให้ขออยากจะได้ล ไ, ร ก, นะกไรก็ตั้งจิตอธิษฐานเนาะนะอยากจะไปสวรรค์ก็ตั้งจิตอธิษฐาน้วเดี๋ยวสวรรค์ก็จะมาเอง ไม่มาหรอกถ้าจะขอไ ม, ไม่มาเองแต่ถ้าอยากจะไปสวรรค์ก็ต้องตั้งจิตอธิษฐานว่าจะทําเหตุที่จะทําให้เราไปสวรรค์อะไรเป็นเหตุให้เราเป็นไปสวรรค์เราก็ต้องสร้างเหตุนั้นเหตุที่จะทําให้เราไปสวรรค์ก็คือเราต้องรักษาศีลเราต้องละธร ท, ทานเราต้องมีบา ร, รมีสองข้อนี้ถ้าเรารักษาศีลได้เราก็ไม่ไปอบายตายไ ป, ไ, ปไม่ไปอบาย แต่ถ้าไม่ได้ทําทานก็จะไม่ได้ไปสวรรค์ก็จะกลับมาเป็นมนุษย์ผู้ที่รักษาศีลได้แต่ไม่ได้ทําทานก็จะได้แค่ระดับมนุษย์นแต่ถ้าอยากจะเป็นเทวดานี้ต้องทําทานรักษาศีลสองอย่างถึงจะไปสวรรค์ได้แต่แค่จะมานั่งขอว่าขอให้ไปสวรรค์นี่ขอเฉยๆไปไม่ได้การนิฐานจึงแปลว่าความตั้งใจที่จะทําเหตุที่จะทําให้เกิดผลที่เราต้องการ ถ้าเราอยากจะไปนิพพานเราก็ต้องจิตอธิษฐานว่าจะบำเพ็ญบา ร, รมีทั้ง10ประการนี้ให้ครบบริบูรณ์เมตตาบา ร, รมีอะไรต่างทานบา ร, รมีศีลบา ร, รมีเนคข ม, มะบา ร, รมีโอเบคาบา ร, รมีปัญญาบา ร, รมีนี่เราต้องมีอธิษฐานความตั้งใจอย่างญาติโยมเมาที่นี่ได้ในวันนี้ก็เพราะมีอธิษฐานความตั้งใจว่าจะมาจะเจริญบารมีมาทําทานมาฟังเทศฟัง่งธรรม การฟังธรรมก็เป็นการเจริญปัญญาบารมีการเอาปัจจัยเงินทองมาถวายวัดก็เป็นเรียกว่าเป็นทานบารมีแล้วการาไม่เบียดเบียนผู้อื่นก็เป็นศีลบารมีขึ้นม า, เ, าเราต้องมีความตั้งใจมาวัดถึงจะมาได้ถ้าเราไม่ตั้งใจจะมาวัดวันนี้เราก็อาจจะไปที่อื่นได้เพื่อนโทรศัพท์มาชวนให้ไปนู่นไปนี่ก็วันนี้วันหยุดไม่รู้จะทาอะไรไปก็ไป แต่ถ้าเราตั้งใจว่าจะมาวัดถึงแม้เขาจะมาชวนเราไปเราบอกเราไปไม่ได้เราตั้งใจจะมาวัดแต่ถ้าเราเปลี่ยนใจก็อาจจะไปได้ถ้าอยากจะไม่เปลี่ยนใจเราก็ต้องมีบา ร, รมีอีกข้อหนึ่งเรียกว่าสัจจะบา ร, รมีสัจจะก็คือความจริงใจต่อตนเองต่อความตั้งใจของตนเอง เมื่อตั้งใจแล้วจะทําอะไรต้องทําให้ได้ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นยกเว้นในกรณีที่สุดวิสัยจริงๆเช่นเจ็บไข้ได้ป่วยไม่สามารถที่จะทําได้แต่ถ้ายังทําได้นี่ยจะต้องทําให้ได้ถ้าไม่มีสัจจะบารมีนี้บางทีตั้งใจจะทําทอะไรนี่อาจจะทําไม่ได้เหมือนคนที่ชอบตั้งตั้งตั้งตั้งใจในวันขึ้นปีใหม่ว่าปีนี้จะเป็นคนดีจะเลิกเหล้าเลิกบุหรี่ก็อาจจะเลิกได้สามวันห้าวัน เดี๋ยวพอเกิดความอยากขึ้นมาจนจิตใจทนไม่ไหวเดี๋ยวก็ลืมไปแล้วว่าได้ตั้งอะไรไว้แต่คนที่มีสัจจะจะไม่ลืมถ้าตั้งใจจะทำอะไรแล้วจะต้องทำให้ได้ยกเว้นในกรณีที่มันสุดวิสัยจริงๆพระพุทธเจ้าตัดสั้ได้ก็เพราะอาศัยบา ร, รมีทั้งสองข้อนี้อธิษฐานบา ร, รมีกับสัจจะบา ร, รมีทรงนั่งอยู่ใต้โคนต้นโพแล้วก็ตั้งสัจจะอธิษฐานว่าจะนั่งภาวนา อยู่ตรงนี้ไปจนกว่าจะได้ตัดสรูถ้ายังไม่ได้ตัดสริรูยังไม่ได้หลุดพ้นจะไม่ลูกจากที่นั่งนี้ไปเป็นอันขาดถึงแม้เลือดในร่างกายจะเหือดแห้งไปก็จะไม่ลุกคือยอมตายถ้าไม่ตัดสิรูก็ยอมตายท่านั้นเมันต้องถึงขนาดนั้นเนีเหมือนถึงจะปามปากตัว ก, กิเลสได้เั้นกิเลสเดี๋ยวมันจะมาหลอกมาล่อให้ไปทําอย่างอื่นแทนนั่งไปสักพักเดี๋ยวเจ็บตรงนั้นปวดตรงนี้แบบโอ๊ยไม่ไหวแล้ว ขอรุกก่อนอนี่ต้องมีสัจจะอธิษฐานถึงจะทําอะไรที่เราทําสิ่งที่เราต้องการให้สําเร็จได้นอกจากสัจจะอธิษฐานยังไม่พอต้องมีอีกตัวอีกตัวหนึ่งอีกสองตัวคือวิทยาบารมีเมื่อตั้งใจจะทําอะไรแล้วก็ต้องมีความเพียรมีความขยันพยายามไม่ใช่ตั้งใจแต่นั่งเฉยๆงอมืองอเท้ามันก็ยังไม่เกิดขึ้นเมื่อตั้งใจแล้ว กต้องอย่างพระพุทธเจ้าก็ต้องนั่งภาวนาเพียนการทําความเพียนนี่ก็คือการภาวนาเจริญสติเจริญสมถะภาวนาทําจิตให้สงบเมื่อจิตสงบแล้วก็ออกจากความสงบมาก็มาเจริญวิปัสสนาต่อไปจนค้นพบเหตุของความทุกข์ว่าเกิดจากอะไรและเหตุที่จะดับความทุกข์นี้ดับได้อย่างไรอันนี้ก็ต้องมีความเพียนเรียกว่าวิริยะบาลมี แล้วเวลาเจออุปสรรคเช่นเจ็บปวดตรงนั้นปวดตรงนี้ก็ต้องมีขันติบาลมียังมีความอดทนถ้าไม่อดทนพอเจ็บตรงนั้นหน่อยก็ยอมแพ้แล้วยกธงขาวอันนี้ก็ไปไม่ถึงไหนนั่งสมาธิไปแป๊บเดียวพอเจ็บก็เลิกเจ็บก็เลิกมันก็เลยติดอยู่ตรงนั้นถ้าจะไม่ให้มันมันไม่ติดตรงนั้นก็ต้องอย่าลุกแล้วก็ภาวนาต่อไปพุทโธต่อไปอย่าไปคิดถึงความเจ็บ เดี๋ยวพุโทโธมันก็จะพาเราทะลุความเจ็บไปพอจิตท ะ, ทะลุไปปั๊บความเจ็บก็จะเบาลงใจก็จะสงบขึ้นมาไปล่อยได้ความเจ็บต่างๆนี้สามารถฟันฝ่าไปได้ถ้าเรามีสติที่แน่วแน่ใจไม่วกแวกนถ้าใจวกแวกนเดี๋ยวไปคิดถึงความเจ็บแล้วก็เกิดความอยากให้มันหายเจ็บเกิดความอยากจะลุกขึ้นมาก็จะทนนั่งต่อไปไม่ได้แต่ถ้าเรา มีความแน่วแน่อยู่กับพุโทโธพุโทโธไม่ไปคิดถึงความเจ็บไม่ไปคิดถึงความอยากจะลุกมันก็ไม่ลุกมันก็จะนั่งต่อไปได้แล้วพอมันพุโทโธไปนานๆมันก็จะสงบพอสงบความเจ็บก็จะไม่มาลบกวนใจใจเป็นอุเบกขาขึ้นมานี่คือบารมีสี่ข้อที่จะมาสนับสนุนบารมีอีกหกข้อถ้าเรามีอธิษฐานมีสัจจะมีวิริยะ มีขันติเราก็จะสามารถเจริญเมตตาบารมีได้เจริญทานบารมีได้ศีลบารมีได้นี่ยขัมมะบารมีได้อุเบกขาบารมีได้ปัญญาบารมีได้เราต้องมีอธิษฐานความตั้งใจมีสัจจะตั้งใจจะมาวัดก็ต้องมาไม่ใช่ตั้งใจไว้พอถึงเวลาเพื่อนโทรมาว่ามีตั๋วฟรีไปไหมเปลี่ยนใจเลยอย่างนี้ก็ไม่ได้แล้ว ต้องมีสัจจะเราให้ใครจะอาอะไรมาล่อก็ไม่ไปแล้วก็ต้องมาพอมาแล้วก็เรามาเพียรมาทําสิ่งที่เราต้องทำํำต้องเดินจงกรมนั่งสมาธิไหว้พระสวดมนต์ทาอะไรก็ทําไปทําแล้วเดี๋ยวผลมันก็จะเกิดผลมันจะเกิดจากความเพียรหลดพ้นได้ด้วยความเพียรอธิฐานบา ร, รมียังไม่สามารถทําให้หลุดพ้นได้โดยโดยลำพังของอธิษฐานหรือสัจจะบา ร, รมี เป็นตัวชักนำเท่านั้นเองชักนำให้เราไปทาความเพียรกันแล้วความเพียรจะไม่ล้มก็ต้อ ง, องมีขันติบาลมีถ้าไม่มีขันติบารมีเดี๋ยวความเพียรก็ล้มหาหมอนภาวณาไปตักฟังเหนื่อยขี้เกียจนอนดีกว่าก็ไปไม่ถึงฝั่งนี่คือเรื่องของบารามีต่าง ที่เป็นเหมือนกับาหางเสือของเรือหรือใบของเรือหรือเครื่องยนต์ในเรือหรือพายที่เราจะใช้พายเรือให้ไปตามจุดหมายปลายทางที่เราต้องการจะไปได้ถ้าเราไม่มีบารมีเรือของเราก็จะเป็นเหมือนเรือที่ไม่มีอะไรก็จะลอยอยู่ในกลางทะเลลอยไปตามกระแสลมกระแสน้ําที่มันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมามันก็วนไปเวียนมาถ้าเราใช้ชีวิตของเราไหลไปกับ กระแสความอยากการตันหาภาวะตันหาวิภาวะตันหามันก็จะพาเราไปเวียนว่ายตายเกิดในภพน้อยภพใหญ่บางเวลามีใจดีก็ทำบุญเวลาใจไม่ดีก็ทำบาปเราถึงเวลาตายไปบุญกับบาปมันก็จะพาเราไปเกิดตามภพต่างๆถ้าบาปมีกำลังมากก็พาไปอบายถ้าบุญมีกำลังมากก็ไปสวรรค์ พอบุญกับบาปมีกําลังเท่ากันไม่สามารถดึงไปทางใดาทางหนึ่งก็กลับมาเป็นมนุษย์ใหม่แล้วก็กลับมาทำตามความอยากกันใหม่แล้วก็มาทำบุญทำบาปกันใหม่จนกว่าเราจะได้มาพบกับพระพุทธศาสนาที่จะสอนให้พวกเราตั้งหน้าตั้งตาทำบุญกันอย่างเดียวให้เลิกทำบาปเนี่ยอย่างที่คําสอนของพระพุทธเจ้าที่สรุปลงสามข้อใหญ่ๆว่าละการกระทาบาปทั้งปวง จเจริญกุศลทั้งหลายให้ถึงพร้อมแล้วก็กําจัดกิเลสตัณหาให้หมดไปจากใจทําใจให้สะอาดบริสุทธิ์นี่นี่เป็นคําสอนของพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ไม่ว่าจะเป็นพระพุทธเจ้ากี่องค์มาตัสโรก็จะสอนเหมือนกันเหมือนกับหมอที่มารักษาโรคหวัดก็จะก็จะรักษาโรควิธีรักษาโรคหวัดเหมือนกันต้องพักผ่อนหลับนอนกินยาอะไรแล้วเดี๋ยวโรคมันก็จะหาย พระพุทธเจ้าก็เป็นเหมือนหมอรักษาโรคโรคใจก็คือความทุกข์ใจการเวียนว่ายตายเกิดพระพุทธเจ้าทุกๆพระ อ, องค์เวลาตัดสรู้ก็ตัดสรู้วิชาเดียวกันนี้วิชารักษาโรคใจก็จะสอนเหมือนกันหมดทุกๆพระ อ, องค์ว่าให้ละการกระทำบาปทั้งปวงสร้างกุศลทั้งหลายให้ถึงพร้อมแล้วก็ชำระจิตใจให้สะอาดบริสุทธ จิตใจไม่บริสุทธิ์ไม่สะอาดก็เพราะกิเลสตัณหาเครื่องเศร้าหมองต่างๆนี่เองถ้าเราสามารถบาเพ็ญบารมีทั้งสินี้ได้เราก็จะทำคำสอนทั้งสมข้อนี้ได้ครบบริบูรณ์แล้วเราก็จะหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดเรือของเราก็จะมุ่งไปสู่ฝั่งของพระนิพพานจะไม่ลอยอยู่กลางทะเลอีกต่อไปการแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลา จึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขออนุโมทนาให้พรต่อไปนี้ก็เป็นช่วงถามตอบปัญหาธรรมถ้าท่านผู้ใดมีคำถามอยากจะถามก็ขอเชิญถามได้ในช่วงนี้เพราะว่าหลังจากที่เราเลิกประชุมแล้วก็จะของดการตอบปัญหา ถ้าอยากจะถามก็ขอความกราณาถามตอนนี้ไม่ต้องอายถ้าไม่อยากจะให้ใครรู้ก็เขียนเป็นข้อความมาก็ได้แล้วถ้านยังไม่มีก็จะให้พิธีกร น, นําคําถามทางว่านนะโยมมีคําถามเลยอเอาเอากรเลยก็ได้ครับผมก็ได้ปฏิบัติที่พระอาจารย์เด้เคยสอนไว้นะครับอา่านั่งสมาธิ เดินจงกรมแล้วก็บางครั้งที่ไปเดินออกกาลังกายก็ทาเหมือนเดินจงกรมนะครับคือให้มีสติอยู่ที่กายเช่นกันเท้าที่ก้าวหรือว่าหรือที่ลมหายใจหรือว่าที่พุทโธนะครับก็จิตก็ดีขึ้นมันก็มีสติที่จะรู้กิเลสที่มากับเรา แต่บางครั้งพอมันจะรู้ในระยะที่เราเดินตรงกรมอยู่นะครับแต่พอเรามาทำงานหรือว่าแค่มาเดินผ่านทีวีนั่ยนะอ่าเห็นฟุตบอลเตะว่านั่งดูเลยก็เลยไอ้ตรงนี้มันเป็นกิเลสที่เหมือนพระอาจารย์ได้สอนเมื่อกี้ว่ามันวายมันยังมันวายกว่าจิต กว่าสติที่จะไปคุมมันอืออันนี้ต้องปฏิบัติยังไงครับมันถึงไอต้ตรงตรงนี้จะท่านมันต้องทําจิตรวมไม่ได้ท่า น, นบอกต้องมีสมาธิก่อนถึงจะไปทางปัญญาเพื่อหยุดกิเลสได้ท่านถ้าเราทําจิตรวมนี่เราหยุดกิเลสได้แล้วพอหยุดนะมันพอเรามันโผล่ขึ้นมาเราจะรู้แลนะ้วแต่ถ้ามันยังไม่หยุดนี่มันวิ่งอยู่ตลอดเวลายังพยายามทําจิตให้เป็นสมาธิให้รวมให้ได้ มันจะได้เฉพาะที่ในตอนนั่งสมาธินะครับจะ<ช><ช>ไหว่ายังรวมไม่รวมไมย่ยังรวมไม่เลิกยังรวไมไม่สนิทยังไม่เต็มร้อยอ่ามันก็พยายามทําไปเรื่อยๆอัสตินี่เป็นเป็นตัวสําคัญที่จะทําทให้จิตรวมหรือไม่รวมยังต้องพยายามทําทั้งวันเลยตั้งแต่ตื่นจนหลับนี่อย่าให้มีเวลาเผลอสติเลยรู้อยู่ตลอดเวลาไม่ลอยไปกับอดีตไม่ลอยไปกับอนาคต ไม่ลอยไปกับเรื่องนั้นเรื่องนี้ให้อยู่ในปัจจุบันแล้วก็ไม่คิดอะไรให้รู้เฉยๆกำลังทำอะไรก็รู้ว่ากำลังทำสิ่งนั้นอยู่แต่ไม่ต้องคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้คือเราก็ฝึกที่จะไม่คิดเพราะตัวคิดนี่มันจะนำทาให้จิตไม่สงบจิตไม่สงบได้ทาเป็นเครื่องมือของกิเลสเอคิดปั๊บเห็นทีวีปั๊บ ยังไม่ได้เห็นทีวีเพลยคิดถึงทีวีเดี๋ยมันก็เดินไปหาทีวีแล้วใช่ใช่ครับถ้ามันไม่คิดถึงทีวีมันก็ไม่ไปนะครับพยายามเจริญสติควบคุมความคิดแล้วมีเวลาก็นั่งให้มากๆให้จิตรวมให้ได้เพราะถ้ายังไม่นั่งนี่มันยังไม่มีกำลังมันสติมีแต่มันไม่มีกำลังพอถ้านั่งเฉยๆนี่มันจะมีล้วจิตรวมนี่มันจะเหมือนการจับมันมัดไว้แน่นเลย เวลาจิตสงบในกิเลสเนี่ยทำงานไม่ได้เลยแต่พอออกจากสมาธิมาพอมันจะเริ่มทํางานเราก็จะทันมันทันทีรู้ทันทีครับที่หลวงพ่อสอนเมื่อกี้ว่าต้องนั่งสมาธิให้นิ่งจนถึงเป็นขั้นอัปปนาสมาธิอัปปนาสมาธิเป็นอุเบคาเนะี่ยเป็นอุเบขา อ, อันนี้ยังไม่ไม่ยังไม่เข้าใจเวลาเราจะรู้สึกว่ายังไงครับมันจะตกหลุมตกบอ่อแล้ววบลงไป วุ้บลงไปเหมือนตกหลุมตกบาวเรื่ถ้านั่งเครื่องบินก็ตกหลุมอากาศนี่วุ้บลงไปแล้วก็นิ่งสงบเบาสบายในในตรงนี้ยังมีสติไหมครับอ่ามีแต่ไม่มีสติก็หลับอ๋อก็มีสติในี้เราต้องมีอยู่ตลอดตลอดเวลาทั้งทั้งอุปจระสมาธิกับอัปปนาสมาธิพอดีผมเคยฝึกมาเมื่อก่อนที่จะมาหาพระอาจารย์ครับ บัณฑิตก็นิ่งแต่ว่าพระอาจารย์ก็บอกว่าให้หัดฝึกที่จะพิะจรารณาผมก็พิจารณาพวกอสุภะพิจรารณาอันนั้นอีกขั้นหนึ่งขั้นที่สองขั้นแรงเอาสมาธิให้ได้ก่อนถ้าไปพิจารณามันจะพิจารณาได้แต่มันจะไม่เปิดไม่เป็นประโยชน์เพราะมันจะตัดกิเลสไม่ได้สู้กิเลสไม่ได้ใช่ครับตัดไม่ได้คนระับคือมันมันก็ อสุภาะพยายามให้ติดตานะเห็นรูปเห็นอะไรที่ก็แต่ว่าบางทีกิเลสก็ยังมาโดยที่หลงไว้ทั้งพักใหญ่กว่าพอลืมพอกิเลสมาลืมในอาสุภะอสุภาษะลืมเล ย, ล ม, เลยมันพาไปเที่ยวนู่นเที่ยวนี้ได้เลยครับต้องต้องขั้นที่สองจากนี้อีกทีให้มีกําลังก่อนมีกําลังดึงใจไม่ให้ไปตามกิเลสครับแล้วดึงใจให้อยู่กับปัญญาอยู่กับอสุภาษะต่อไปได้ ตอนนี้ใจยังไปตามกําลังของกิเลสอยู่รู้สึกว่ามันไปตามความคิดว่าเรามีอสุภะหรือบางทีก็คิดที่ว่ากายที่เป็นธาตุสี่อะไรเงี้ยเอก็คิดเป็นความคิดแต่ว่ามันมันยังไม่เกิดขึ้นที่ใจ จ, จริงๆใช่แล้วมันยังไม่ได้ถึงเวลาจะใช้จริงๆเขางพวกนี้ต้องใช้เวลาที่เกิดข้อสอบขึ้นมาเช่นอย่างที่คุณบอกเมื่อกี้เจ็บไข้ได้ป่วยใค ร, ค, รคิดถึงว่ามันเป็นดินน้ําลมไฟมังม้งวะ ไม่ไม่ได้คิดเลยมันคิดว่าเป็นตัวเราของเราใช่ไหมใช่ครับน่นแหละกิเลสนุ้นวัตเนี่ยมันก็เลยทุกกับมันแต่ขณะที่มีความเจ็บปวดนี่ก็ใช้ใช้ไอ้ที่ว่าไอ้ไก่นี่มันก็คงต้องดับศูนย์ไปอะไรที่ลุงอาจารย์เคยสอนไว้ครับมันก็ช่วยได้ช่วยได้ช่วยได้มันก็ใช่ถ้ามองให้มันไม่ใช่ตัวเรายิ่งสบายอ่าครับเมื่อมันไม่เป็นตัวเราเราไปทุกข์แทนมันทําไมตอนนี้เราไปทุกข์แทนมันร่างกายมันไม่ทุกข์ซะหน่อย มันไม่เดือดร้อนเวลามันไม่สบายมันไม่เดือดร้อนแต่ใจที่ไม่ได้เป็นร่างกายกลับไปเดือดร้อนแทนร่างกายเพราะความหลงไปคิดว่าใจเป็นร่างกายใช่ครับต้องแยกใจออกจากร่างกายให้ได้ใจเป็นผู้รู้ผู้คิดร่างกายเป็นผู้รับคำสั่งใจเป็นนายกายเป็นบ่าวแต่ใจไปเล่นเป็นบ่าวแทนก็เลยเดือดร้อนไปกับบ่าวคือ ตอนนี้เนี่ยเมื่อจิตนิ่งเแล้วก็การที่จะรู้เวทนาครับอาจารย์ครับคือเวทนากับสิ่งที่เราคิดไปนั่นก็รจริงเมันคนละอันกันใช่ไหมความคิดก็อย่างหนึ่งเวทนาก็เกิดก็อีกอย่าง<ะ>เวทนาเกิดจากความคิดที่เราคิดเราคิดไม่ดีใจก็ไม่สบายคิดดีใจก็สบายอย่างสมมุติว่าเราปวดเข่าแล้วเราก็คิดว่ามันปวดนี่ครับจริงเวทนาคืออาการ ปวดแล้วมันทําให้ใจเราเป็นกังวลใจล่ะคือผมก็ยังยังงงว่าใจมันกังวลเพราะอยากให้เวทนาหายอยากให้เวทนาหายแล้วต้องคิดว่ามันเป็นสิ่งที่เราไปบังคับไม่ได้ไปสั่งให้มันหายไม่ได้ครับให้รู้เฉยๆเอาตอนนี้มีเวทนาทางร่างกายมีก็มีไปเราก็รู้รับรู้ไปแล้วเราจะไม่เดือดอร้อนที่เราเดือดร้อนเพราะเราไม่อยากให้มันเกิด หรือวันเกิดแล้วก็อยากให้มันหายพอไม่พอไม่หายก็เดือดร้อนครับเมง้เราต้องคิดหมาว่า เ, าเกิดก็เกิดอยู่ก็อยู่ไปก็ไปดับก็ดั บ, บถ้ายังไม่ดับก็ปล่อยมันอยู่ไปรเราอย่าไปยุ่งกับมันเราเพียงแต่รับรู้เท่านั้นเองครับผมอย่าไปมีความอยากาช่วยปิดเครื่องเลยทานหมดมนั่งเก่าแล้วบางทีเดี๋ยวนี้ต้องไปเปลี่ยนเปลี่ยนแบตใหม่ ก็ใช้มาหลายปีตั้งแต่เริ่มแสดงทำมาเนี่ยหละปีห้าหกนี่ห้าเก้าสามปีกว่าแล้วรู้สึกจำได้ช่วงพฤษภามีห้าหกช่วงวันวิสาขาบูชาพอดีนี่ก็ผ่านวิสาขห้าเก้ามาแล้วก็ห้าปีกว่าแล้วห้าปีจะเข้าปีที่สี่แล้วสามปีมาแล้วจะเข้าปีที่สี่เครื่องนี้ก็ ใช้มาแล้วแบตเตอรี่มันก็จะเสื่อมเสื่อมแล้วมันก็จะใช้ไม่ได้นานเนี่ยแทนที่จะใช้ได้สองชั่วโมงก็ชั่วโมงหนึ่งมันก็เริ่มร้องนะก็เดี๋ยวก็ไปเปลี่ยนเป็นบบตใหม่เดี๋ยบางทีก็มีญาติโยมเมตาก็ถวายเครื่องใหม่มาเครื่องเก่าก็บางทีก็ไปบริจาคให้กับโรงเรียนที่เขาจะสอนเด็กซ่อมเครื่องอะไรต่างๆเหล่านี้คําถามจากทางบ้านจากคุณอดีเลก ข้อที่หนึ่งขณะที่เราปฏิบัติสมาธิแล้วมีอารมณ์ให้จิตใจเราว้าวุ่นฟุ้งซ่านคิดไปเรื่อยเปื่อยเราจะมีวิธีการควบคุมจิตใจให้เราสงบและปฏิบัติต่อไปอย่างราบรื่นได้อย่างไรบ้างครับเราก็ต้องมีสติถ้าเรายังไม่มีสตินั่งสมาธิก็ไม่มีวันที่จะสงบอกมันก็จะคิดไปเรื่อยเปื่อยสตินี้ถึงต้องสร้างขึ้นมาก่อนก่อนที่เราจะมานั่งสมาธิ สตินี้เราสามารถสร้างได้ในทุกิริยาบททุกเวลาไม่ว่าเราจะทำอะไรก็คือให้ใจรู้กับสิ่งที่เรากำลังทําอยู่อย่าไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ <c oughs> ดึงมันกลับมาเช่นเรากำลังแปรงฟันก็ให้มันอยู่กับการแปรงฟันอย่างเดียวไม่ใช่แปรงฟันไปก็คิดถึงงานที่จะไปทําคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้อย่างนี้ก็เรียกว่าไม่มีสติ ถ้าแปลงฟันอยู่กับการแปลงฟันอย่างเดียวไม่คิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้อย่างนี้ถึงจะเรียกว่ามีสติคือให้เรามาหยุดความคิดให้เราอยู่กับผู้รู้ให้รู้เฉยๆรู้ว่าเรากำลังทำอะไรอยู่ถ้าเราไม่มีกำลังที่จะดึงให้อยู่กับการแปลงฟันการล้างหน้าการทำไรายได้ก็ใช้พุทโธดึงเข้ามาก็ได้แปลงฟันไปก็พุทโธพุทโธไป อย่า yeah. ถ้าเราพุโทโธมันก็จะไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ไม่ได้มันก็จะคิดอยู่แต่พุโทโธแต่พุโทโธนี้มันไม่มีพิษมีภั ย, ภยเหมือนกับความคิดต่างๆพุโทโธก็สามารถที่จะดึงใจให้อยู่ในปัจจุบันทําใจให้ว่างให้สงบได้งนั้นก็มีสองวิธีจะใช้คําบริกรรมไปทั้งวันก็ได้ตั้งแต่ตื่นขึ้นมาพอลืมตาก็พุโทโธไปเลยลุกขึ้นจากเตียงก็พุโทโธเข้าห้องน้ําก็พุโทโธอาบน้ําก็พุโทโธ แต่งตัวกับพุโทโธแล้วประทานอาหารกับพุโทโธถ้าไม่มีคำเป็นจะต้องใช้ความคิดกับพุโทโธไปแต่เวลาทำงานต้องใช้ความคิดก็หยุดพุดโทโธไว้ทั่วขา่าวแล้วก็คิดไปกับงานการที่เรากำลังทำอยู่เอาจเฉพาะงานการหรือเรื่องที่เราจะเป็นจะต้องคิดก็คิดได้เราต้องวางแผนต้องเตรียมตัวทำอะไรก็คิดได้เมื่อคิดเสร็จแล้วเพียงใดอย่าไปคิดเพ้อเจ้อเพ้อฝันคิดอยากให เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้อย่าไปคิดเท่านั้นถ้ามันคิดก็หยุดมันถ้ามันไม่คิดก็ไม่ต้องพูดโถก็ได้ถ้ามันเฉยเฉยมันทําอะไรไปเรื่อยๆมันไม่ไปคิดเพื่อเจอเพ้อฝันอยากได้สิ่งนั้นอยากได้สิ่งนี้เราก็ไม่ต้องพูดโถก็ได้หรือวิตกกังวลกับคนนั้นคนนี้กับเรื่องนั้นเรื่องนี้ถ้าเป็นความคิดเหล่านี้เราต้องหยุดมันแต่ถ้าเป็นความคิดที่เป็นเหต musst, หุ Outside, เป็นผลน่าจําเป็นจะต้องคิดก็คิดได้แ e, ต่ไม่คิดได้จะดีกว่า นั่นกับคนที่ทางานซึ่งจึงสู้คนที่ไม่ทำงานไม่ได้คนที่ไม่ทำงานเช่นคนที่มาบวชนี่ไม่ต้องทำงานจึงไม่ต้องใช้ความคิดมากเมื่อไม่ใช้ความคิดมากทำใจให้สงบมันก็ง่ายถ้าใช้ความคิดมากแม้จะเป็นความคิดในทางเหตุผลทางการงานก็ตามเวลาจะมาทำให้มันสงบมันก็ยากกว่า <c oughs> เหมือนกับรถที่วิ่งเร็วกับรถที่วิ่งช้าเวลาจะจอดนี้อันไหนมันง่ายกว่ากัน รถที่วิ่งเร็วมันจะจอดมันก็ต้องใช้ระยะทางไกลกว่าจะจอดได้แต่รถที่วิ่งช้านี่มันก็ไม่ต้องใช้ระยะทางไกลเหยียบเบรกปุ๊บมันก็จอดได้เลยความคิดนี้ก็ไปเหมือนรถที่วิ่งเนี่ยยิ่งคิดมันก็ยิ่งเหมือนกับรถยิ่งวิ่งเร็วถ้าคิดน้อยมันก็วิ่งวิ่งไม่เร็วถ้ามันวิ่งไม่เร็วมันคิดน้อยก็หยุดง่ายถ้ามันคิดมากมันก็จะหยุดยากที่เรียกว่าฟุ้งซ่านเนี่ยฟุ้งซ่านนี่หยุดไม่ได้นะ ต้องปล่อยให้มันหมดแรงหมดแรงสลบสลายไปบางทีมันคิดมากๆมันก็เหนื่อยมันก็หยุดไปเองแต่กว่าจะหยุดนี่มันทรมานถ้ามีสติหยุดมันได้นี่มันปุ๊บเดียวก็หยุดได้ยันก่อนที่จะมานั่งสมาธินี่ต้องมาหยุดความคิดให้ได้ก่อนด้วยการเจริญสติ้อที่สองหากพบหัวหน้าของเรา ไม่รับฟังความคิดเห็นและต้องทาตามคำสั่งนั้นถึงแม่รู้ว่าเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องแต่เราก็ฝืนคำสั่งไม่ได้จะมีวิธีทำกำลังใจหรือปฏิบัติกับหัวหน้าอย่างไรเพื่อให้งานนั้นๆดำเนินไปได้อย่างราบรื่นครับในเมื่อเราทำงานเขาเป็นหัวหน้าเราเป็นลูกน้องเราก็ต้องทาตามคำสั่งของหัวหน้าถ้าเราไม่อยากจะทาตามคาสั่งเราก็ลาไปลาออกจากงานไป ไปทำงานอาที่อิสระเราจะได้ไม่ต้องไปรับฟังคำสั่งของใครหมดแล้วคำริงข้อ น, นี้เมื่อเมื่อวานนี้ก็ถามมาครั้งหนึ่งแล้วแต่ตอบไม่เหมือนกันเพราะอะข้อนเมื่อวานนี้ตอบไปก็ออกให้ออกจากงานไปมั้งเสพมุญ อ, อตัวสติอยู่กับผู้รู้นี่ ไม่ค่อยเข้าใจครับเช่นยังไงคือผู้รู้นี่มันมองจะไปอยู่กับความคิดไงแล้วเราก็หลงไปตามความคิดคิดแล้วก็ตามความคิดไปทําตามความคิดดีใจเสียใจไปกับความคิดแต่ถ้าเราหยุดความคิดนี่เราสติดึงหยุดความคิดให้ให้ผู้รู้อยู่กับพุทโธนี่มันก็จะไม่มีความคิดเมื่อไม่มีความคิดอารมณ์ก็ไม่มี ใจก็จะรู้เฉยๆสักแต่ว่ารู้ใจมันสักแต่ว่ารู้แล้วแต่ถ้ามันไปรู้กับความคิดมันก็จะทําให้ใจนี่เกิดโลภโกรดหลงขึ้นมาอีกทีนึ่งแต่ถ้าไม่มีความคิดมันก็จะไม่มีความโลภกโกรดหลงขึ้นมาเเราต้องการหยุดความคิดเพื่อใจจะได้สงบความโลภโกรดหลงก็จะได้สงบตัวลงแต่ยังไม่ตายยังไม่หายไปด้วยสติจะหายด้วยจะหายต้องใช้ปัญญาถึงจะทําลายความโลภโกรดหลงได้ เพาะความโลภโกรธหลงเกิดจากความไม่มีเหตุมีผลเกิดจากความหลงเห็นผิดเป็นชอบเห็นว่าสิ่งต่างๆในโลกนี้เป็นสุขพระเจา้าถึงสอนให้เรามามองให้เห็นว่าสิ่งต่างๆในโลกนี้เป็นทุกข์ทุกข์เพราะว่ามันไม่เที่ยงเอร่างกายนี้มันสุขหรือป็นทุกข์ตอนนี้มันสุขใชเพราะมันยังไม่เป็นอะไรแต่มันไม่มันไม่สุขไปตลอดเดี๋ยวมันพอเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมาก็มันก็กลายเป็นความทุกข์สอนให้เรา อย่าไปรักร่างกายอย่าไปหวงร่างกายอย่าไปอยากมีร่างกายเพราะมีร่างกายแล้วก็จะต้องทุกข์กับมันร่างกายของเราหรือร่างกายของคนอื่นก็เหมือนกันต้องใช้ปัญญาความโลภความโกรธความหลงมันถึงจะบทไปได้แต่ก่อนจะใช้ปัญญาได้ก็ต้องทำใจให้สงบก่อนใจจะได้คิดไปในทางความความจริงได้ถ้าไม่งั้นถ้าไม่สงบนี้กิเลสมันจะเดึง ไปคิดในทางความหลงกันคิดว่าไอ้ น, นั่นก็นดีไอ้ น, นี่ก็ดีพอคิดว่าดีแล้วก็อยากจะได้ขึ้นมาแล้วพอได้มาแล้วก็มาเสียใจในภายหลังดูงี้ไม่เอาดีกว่านะฉะนันฝึกสติเอัทางนั้นมีคำถามค่ะปมรรกรเปิดยอแล้วเปิดเยู่แล้วขอโอกาสค่ะเอ่อ <c oughs> <c oughs> มีคำที่บอกว่าสติสัมปชัญญะสติที่ต่อเนื่องเขาเรียกสัมปัญญาออตอนต้นสติล้มลุกคุกการตั้งสติพุโทโธได้สองคำเดี๋ยวก็เผลอไปคิดเรื่องนี้นนแล้วที่บอกว่ารู้สึกตัว ร, รู้สึกตัวไว้รู้สึกตัวไว้ น, นต่อเนื่องไงให้รู้สึกอยู่ไม่ไปคิดไม่ไปตายความคิดเนี่ยไม่เกี่ยวกับเวทนาใช่ไหมครับอ่าไม่ใช่ไม่ใช่ใชเออวทนาคือความรู้สึกออแต่สตินี้คือการรับรู้ ให้รู้อยู่กับเรื่องเดียวไม่ให้ไปรู้กับหลายเรื่องไม่ให้ไปรู้กับความคิดต่างๆค่ะพอดีมีหลานป่วยที่โรงพยาบาลเป็นมะเร็งอะคะ่ะทีนี้ก็เลยไม่แน่ใจว่าคือไปกําหนดรู้ที่อาการปวดหรือเปล่าจะต้องทําจิตยังไงะ ค, ะค่ะก็จะกําหนดที่ไหนก็ได้ข้อสําคัญก็คือให้จิตเราสงบเท่านั้นอะถ้าจิตเราสงบด้วยการกําหนดด้วยวิธีไหนจิตสงบจิตก็จะไม่เดือดร้อนกับความเจ็บของร่างกาย ต <Yeah. S 2> อ, อนนี้กาลังถ่ายทอดสดอยู่ไปทั่วโลกผ่านทาง Facebook และ Youtube มีคนเท่าไหร่วันนี้เยอะไหมวันนี้อันนี้ อ, อยู่ที่สามร้อยห้าสิบกว่าสดอันนี้ห้าสิบได้ยูทูบห้าสิบเฟซบุ๊กสามร้อยกว่า ครับคำถามจากทาง Facebook Live นะครับจากคุณพานุพงศ์นะครับกรณีพระพิสุในพระพุทธศาสนาหากมีข้อร้องเรียนว่าอาบัติราชิกสี่ว่าด้วยการลักทรัพย์ควรพิเคราะห์ความผิดนี้อย่างไรจึงถือว่าผิดอาบัติราชิกเช่นรับของที่เขาถวายแล้วนำไปสร้างสาธารณสถานแต่ไม่ทราบว่าเขาได้มาโดยมิชอบคือพระก็เป็นเหมือนข้าราชการเนี่ยมี ต้นสังกัดมีเจ้าอาวาสถ้าพระทําผิดก็ต้องไปแจ้งความที่เจ้าอาวาสแล้วเจ้าอาวาสก็จะตั้งคณะกรรมาการขึ้นมาพิสูจน์พิจารณาว่าเป็นไปตามที่กล่าวหาหรือไม่ถ้าพิจารณาแล้วผู้ฟ้องไม่พอใจก็อุทธรณ์ได้ไปฟ้องเจ้าคณะตำบลต่อเจ้าคณะจังหวัดต่อไปถึงมหาเถรสมาคมก็ได้พระก็อยู่บอยู่ในระบบ ระบบการปกครองแบบของทางราชการเป็นขั้นตอนขึ้นไปภาสนี้ถูกปกครองด้วยเจ้าอาวาสเจ้าอาวาสก็ถูกปกครองด้วยเจ้าคณะตำบลเจ้าคณะตำบลก็ถูกปกครองด้วยเจ้าคณะอำเภอเจ้าคณะจังหวัดเจ้าคณะภาคแล้วก็เข้าไปสู่มหาเถรสมาคมตามลําดับไปอย่ น, นเรื่องมันก็ต้องไปจบแบบที่อะไรศาลชั้นสูงสุด ถ้ายังมีการอู่ทอนกันอยู่ยังหาว่ายังเลือกที่รักมักที่ชังกันอยู่ยังตัดสินแบบมีอคติอยู่ผู้ฟ้องร้องเรียนยังไม่พอใจก็ต้องร้องเรียนกันต่อไปอู่ทอนกันต่อไปจนกว่ า, า จ, จะได้ข้อสรุปบางทีถัาผูต้องหาก็นหนีไปก่อน <c oughs> ไปอยู่ต่างประเทศก็ <c oughs> เรื่องก็จบไป <c oughs> คำถามจะคุณนักฤสอนนะครับเวลานั่งสมาธิลูกนั่งได้ไม่นานจิตไม่ค่อยนิ่งแต่เวลาเดินจงกรมกลับนิ่งกว่าและมีสมาธิมากกว่าลูกทำแบบนี้มาหลายปีแล้วไม่ทราบว่าปฏิบัติถูกต้องไหมคะก็ถ้าเดินมันนิ่งนั่งมันก็น่าจะนิ่งนะก็นั่งกับเดินมันก็ใช้สติตัวเดียวกันอาจจะเป็นจริตหรืออาจจะเป็นความชอบ ถ้าเดินชอบก็มีสติพอนั่งแล้วไม่ชอบก็เลยสติก็หายไปแต่ถ้าอยากจะให้จิตรวมจิตเป็นสมาธิมันต้องนั่งเห็นพระพุทธรูปไหมพระพุทธรูปส่วนใหญ่นี้นั่งนะปางสมาธิพวกเราเป็นชาวพุทธจะกลับไปปฏิเสธการ น, นั่งสมาธิกัน ท, ทั้งที่พระพุทธเจ้าตัดทะลุก็ตัดทะลุในปางสมาธินั่งอยู่คนต้นไม้แต่ก็อยากจะตัดทะลุในท่าอื่นกัน ซึ่งก็มีบ้างบางองค์บางรูปนี้ท่านตัดสู้ในท่าต่างๆได้แต่นัน้นเป็นกรณียกเว้นกรณีพิเศษไม่ได้หมายความว่าท่านไม่ได้นั่งสมาธิบางที่ท่านนั่งสมาธิแล้วมันมน ม, น ม, น ม, นมันไม่ได้เป็นช่วงที่จะหลุดพน้นมันไปหลุดพ้นในช่วงที่มันไม่ได้นั่งสมาธิอย่างพระ อ, อนุ น, นี่ไปหลุดตอนที่กำลังจะอยู่ในท่านั่งกับท่านอน ตอนหลังจากเองหนังนอนก็ไปดูดพนตอนนั้นจิตมันพร้อมจิตมันไปพิจารณาสำเร็จตรงนั้นมันก็เลยสำเร็จตรงนั้นเย่างนั้นแต่การทำสมาธินี้ต้องนั่งถ้าไม่นั่งจิตจะไม่รวมจิตจะไม่เป็นหนึ่งจะไม่เป็นอัปปนาจะไม่เป็นอุเบกขามันถ้าไม่มีอุเบกขามันก็จะไปใช้ปัญญาต่อสู้กับกิเลสไม่ได้ คำถามเจ้าคุณประกอบนะครับการสวดพาหุงสวดชิ น, นะบัญชรและคาถาอื่นๆสามารถขจัดทุกอาเพศภัยและดวงเลวร้ายๆได้จริงหรือไม่ครับ อ, อ๋อไม่ได้หรอกการสวดนี้เป็นการทําใจให้สงบเป็นการฝึกสติเท่านั้นเองเรื่องอาเพศเรื่องอาพาธเรื่องต่างๆมันต้องเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยของมันเรียนเจ็บ่ายได้ป่วยมันก็ไม่ต้องไปโรงพยาบาลเลยถ้าให้พระสวดหายก็เดี๋ยวนี้ พาก็จะขายเทปขายบทสวดมนตนะ์เวลาเวลาใครไม่สบายก็มาซื้อเสียงสวดมนต์ของพาไปเปิดให้ฟังไม่ต้องไปเสียเงินที่โรงพยาบาลเสียแค่ซีดีแผ่นละยี่สิบาทแค่นี้นก็สบายละหายละโรงพยาบาลก็เจ๊งเงินหมดแนละมันไม่หายหรอกเรื่องของอะไรต่างๆนี่มันไม่อยู่ที่เรื่องของการสวดไม่สวดนะการสวดนี่มันเป็นการทำใจให้สงบ ถ้ารักษาโรคใจเนี่ยการสวดจะช่วยได้เช่นเราทุกข์ใจกับเรื่องนั้นเรื่องนี้พอเรามาสวดเราก็ลืมเรื่องที่ทําให้เราทุกข์ใจความทุกข์ใจก็หายไปแต่มันจะหายชั่วคราวการสวดนี้มันเป็นเหมือนการใช้สติหยุดความคิดต่างๆพอหยุดความคิดถึงเรื่องที่ทําให้เราไม่สบายใจความไม่สบายใจมันก็จะหายไปแต่พอเรากลับมาคิดถึงมันอีกมันก็จะไม่สบายใจขึ้นมาใหม่ถ้าอยากจะทําให้มันหายอย่างถาวรก็ต้องใช้ปัญญา ปัญญาก็จะเข้าไปวิเคราะห์ว่าเราไม่สบายใจกับเรื่องนี้เพราะอะไรก็ก็จะพบว่าพอาความอยากของเราอยากให้มันเป็นอย่างนั้นอยากให้มันเป็นอย่างนี้พอไม่เป็นมันก็เลยไม่สบายใจถ้าเราอยากจะหายจากความไม่สบายใจก็อย่าไปอยากมันสิก็ปล่อยมันไปมันจะเป็นอะไรก็เรื่องของมันเรื่องของคนอื่นนัองเยอะแยไม่เห็นเราไปทุกข์กับเขาเลยเพราะอะไรเพราะเราไม่ได้ไปอยากกับเขาใช่ไหม ทำไมเราต้องมาทุกข์กับเรื่องนี้เรื่องเดียวในเรื่องยังต้องร้อยแปดพันประการเราไม่เห็นต้องทุกข์ด้วยเลยเพราะเราไม่มีความอยากกับเรื่องราวต่างๆไอ้เรื่องนี้เราก็สามารถดับความทุกข์ไม่สบายใจของเราได้ด้วยการเลิกความอยากเขาจะไม่อยากจะอยู่กับเราให้เขาไปก็จบถ้าอยากให้เขาอยู่มันก็ทุกข์อยู่นั่นแหละแล้วเราก็พิจารณาด้วยปัญญาว่าเราก็ห้ามเขาไม่ได้ใช่ไหมถ้าเขาจะไปเราไปห้ามเขาได้หรือเปล่า แม้แต่ตัวเขาเองมือทีก็ห้ามไม่ได้ความตายอย่างเงี้ยเวลาเขาจะตายนี่ใครไปห้ามใครใครได้เขาก็ต้องตายอยู่ดีเราไม่อยากเขาตายเราก็ทุกไปเปล่ า, าหรือร่างกายของเราก็เหมือนกันเราไม่อยากให้มันตายมันก็จะตายนะแล้วเราไปห้ามมันได้ปเปล่าเมื่อเราห้ามมันไม่ได้ไปอยากไปอยากให้มันทุกทําไมทุกอยากไปอยากไม่ดีกว่าเฉยๆทําใจเป็นอุเบกขาไม่ดีกว่าะเนี่ยอุเบกขาจะมีความสําคัญตอนนี้ ถ้าเราทำใจเฉยๆเบรคขาได้ปล่อยให้มันตายไปเราก็จะไม่ทุกข์กับมันคำถามจากคุณอุจังนะครับเราจะบอกผู้ป่วยที่ถึงวาระสุดท้ายของชีวิตอย่างไรคะเพื่อให้เขาไปอย่างสงบและเมื่อขณะที่เขากำลังจะจากไปต้องให้เขาทำจิตอย่างไรทำสมาธิไปดูลมได้ก็บดูลมไปพูดโธได้ก็พูดโธไปสวดมนต์ได้ก็สวดไป เออถ้าใช้ปัญญาได้ก็ใช้ไปถ้าใช้ได้ก็ไม่ต้องบอกเขาแล้วถ้าไปบอกถ้ายัางใช้ไม่ได้ไปบอกตอนนั้นก็ไม่ทันแล้วเหมือนอโค้ชคอยบอกนักมวยที่นั่งพักอยู่บนเวทีว่าต่ออย่างนี้สิว่ามันสายไปซะแล้วขึ้นไปมันมันไม่ทั น, ทนแล้วมันไม่ซ้อมไว้ก่อ น, นก่อนจะตายท่านถึงสอนบอกให้มาซ้อมตายกันก่อนมาซ้อมมาฝึกตายกันก่อน เวลาจะตายเราจะทำยังไงต้องมาทำก่อนเหมือนเด็กนักเรียนเนี่ยจะไปทำข้อสอบไม่ใช่ไปไปสอนกันตอนที่จะเข้าห้องสอบไม่ทนันการมันต้องสอนล่วงหน้าก่อนทำการบ้านเยอะๆดูหนังสือเยอะๆแล้วพอไปทำข้อสอบก็จะทำได้ถ้าอยากจะตายอย่างสบายตายอย่างสงบตายแบบพระพุทธเจ้าก็หัดมานั่งสมาธิมาหัดเจริญปัญญากันตั้งแต่บัด น, นี้ไปเถอแล้วถึงเวลาตายอตายอย่างสบาย ถ้ามีอุเบคาแล้วจะสบายจะปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างได้คําถามจากคุณนิพนธ์นะครับเวลาทําสมาธิอยู่กับบทพุทโธแต่เมื่อเรารู้ลมพุทโธอยู่แต่ก็มีความคิดแทรกระหว่างคําบริกรรมทั้งที่เรารู้อยู่กับลมอยู่แต่เราเห็นภาพต่างๆเกิดขึ้นเช่นเห็นเรากลายเป็นนักบวชบ้าง เห็นพระมานั่งสอนธรรมบ้างขออุบายพระอาจารย์แก้ให้หน่อยครับก็อย่าไปสนใจให้กลับมาที่พุโทโธไปกลับมาที่ลมไปถ้ามันมันยังแทรกเข้ามาก็ลองเอาบเขาทำบริกรรมอย่างเดียวบริกรรมให้มันถี่ขึ้นไปให้อยู่กับพุโทโธพุโทโธไปทิ้งลมไปเลยไม่ต้องสนใจถ้าจะเอาลมกับพุโทโธนี่มันจะไปบริกรรมเร็วไม่ได้ถ้าบริกรรมช้าโอกาสที่เรื่องต่างๆจะแทรกเข้ามามันก็ง่าย แต่ถ้าเราบริกรรมให้มันเร็วขึ้นเรื่องต่างๆมันก็จะเข้ามาไม่ได้งนันทางที่ดีบางทีอย่าไปใช้สองอย่างปนกันมันปนกันแล้วมันจะทำให้บริกรรมนี้ถี่ไม่ได้เวลาจาเป็นจะต้องให้มันถี่มันจะถี่ไม่ได้เพราะมันไปติดอยู่ที่จังหวะของลมลมมันจะช้าพุชเข้าโทออกนี่ แต่ถ้าไม่มีลมมันก็พุโทโธพุโทโธพุโทโธพุโทโธพุโทโธไปเลยให้มันเร็วอย่างเงี้ยแล้วเรื่องต่างๆนี่มันจะแทรกเข้ามามันจะไม่มีช่องมันเราขับรถถ้าเราติดกันเป็นติดกันแบบไม่มีช่องให้รถเบียดเข้ามาแทรกเข้ามามันก็เข้ามาไม่ได้จากคุณเต่านะครับช่วงนี้ผมติดอยู่ขั้นกลางระหว่างทางโลกกับทางธรรม แต่จะเอนไปทางโลกนิดหน่อยแต่ก็ไม่อยากไปทางโลกมากนักเพราะเห็นเป็นทุกข์ผมขอกำลังใจจากพระอาจารย์หน่อยครับก็ต้องมาทางทำให้มากขึ้นมาอยู่วัดให้มากขึ้นมันหยุดอย่าไปเที่ยวกันอย่ามาวัดกันมาอยู่ปฏิบัติทำกันฮะเดี๋ยวมันก็จะมาทางนี้ได้ต้องไปอยู่กับคนที่เขาปฏิบัติถ้าเห็นเขาปฏิบัติมันก็จะทาให้เรามีกาลังใจอยากจะปฏิบัติ ถ้าเราไปอยู่กับคนที่เขาชอบกินเหล้าเมายาชอบเที่ยวชอบเล่นกันเราเราก็จะไม่มีกําลังใจจะปฏิบัติเพราะใจเรามันก็จะเอ็นไปตามสิ่งที่เราเห็นเห็นก็ทําอะไรบางทีมันก็อดไม่ได้อยากจะทําตามเขาเราจึงต้องไปอยู่กับพวกที่เขาปฏิบัติกันแล้วพอเห็นเขาปฏิบัติเราก็จะได้ปฏิบัติตามเขาได้ คำถามจากุลสุพนานะครับเมื่อครั้งไปภาวนาที่วัดป่ามืดมากนั่งสมาธิเห็นแสงสว่างออกจากจิตพอทําใจสบายแสงก็พุ่งออกมาเริ่มสว่างเรื่อยๆพอเริ่มสงสัยแสงสว่างก็เหมือนมีอะไรมาบังไม่สว่างเหมือนแรกๆอย่างนี้ควรจะนั่งดูไปเรื่อยๆใช่ไหมคะอย่างนี้ผิดแล้วละ่ะเพราะไม่ได้อยู่กับพุทโธไม่ได้อยู่กับลมต้องอยู่กับอะไรอย่างหนึ่ง อย่าไปสนใจกับอะไรต่างๆที่ปรากฏขึ้นมาให้ ร, รับรู้แล้วมันเดี๋ยวมันจะหายไปเองแต่ถ้าเราไปนั่งดูมันแล้วเดี๋ยวมันก็จะโผล่ขึ้นมาเรื่อยๆฉะนั้นนั่งแล้วต้องอยู่กับพุโทโธแล้วอยู่กับลมแล้วอะไรเกิดขึ้นมาก็ไม่ต้องไปสนใจก็พุโทโธต่อไปแล้วดูลมต่อไปแล้วเดี๋ยวเรื่องต่างๆที่โผล่ขึ้นมามันก็จะหายไปเองถ้าใจสงบ คำถามจากคุณหญิงพันนะครับความเจ็บปวดทางกายเช่นโรคปวดหัวรุนแรงพยายามและพยายามละความอยากหายปวดก็รู้สึกผ่อนลงชั่วครู่แต่ก็กลับมาทุกทรมานอีกอยากให้พระอาจารย์ชี้แนะครับก็ละอีกสิถ้ามันกลับมาแล้วก็ละอีกพอมันทรมานล้วก็อย่าไปอยากให้มันหายอีกวิธีหนึ่งก็ทําใจให้สงบใช้พุโทโธพุโทโธ อย่าไปคิดถึงเรื่องของอาการเจ็บปวดของร่างกายพอเราลือมันมันความอยากที่จะให้มันหายมันก็จะหายไปความทรมานใจมันก็จะหายไปเราจะรู้สึกว่าความเจ็บปวดของร่างกายนี้ไม่รุนแรงตัวที่รุนแรงคือเจ็บปวดทางใจเจ็บปวดที่เกิดจากความอยากอันนี้ทรมานใจมากอยากให้มันหายนี่มันจะทําให้ใจเราทรมานถ้าเราไม่มีความอยากให้มันหายนี่ความเจ็บของทางร่างกายนี้มันจะ ไม่เป็นปัญหาคำถามนะครับคำถามจากคุณสุสภาพนะครับปีชงคืออะไรแล้วจำเป็นไหมที่เราต้องไปแก้ตามที่เขาบอกก็บอกแล้วเคยตอบไปครั้งนะ้วปีชงก็ไปหาของที่จ ะ, จะชงมาเตรียมไว้เลย <c oughs> หากาแฟหาอะไร พอถึงเวลาก็ชงมันเลยชงโกโก้ชงกาแฟาชงมวันตินะแล้วปีชงมันก็จะดีเองอ่ะดีเพราะมีกาแฟกินนี่ถ้าไม่เตรียมกาแฟาโกโก้มาถึงเวลาชงมันไม่มีชงนะมันไม่มีหรอกมนมมมุษย์เราไปสมมุติมันขึ้นมาอะพวกโหราศาส์ดาราศาสตร์อต่างๆมันก็เป็นการสมมุติเรื่องราวต่างๆขึ้นมาว่าดาวดวงนี้มาเจอกับดวงนี้จะทําให้เกิดให้นุ่นเกิดให้นี่ขึ้นมาอะ ดาวมันเองยังไม่รู้แล้วมันเป็นตัวที่จะทําให้เกิดขึ้นต่างๆ <c oughs> ขึ้นมาอะนั้นชีวิตของคนเรานี่มันดีชั่วอยู่ที่บุญกรรมเท่านั้นอ่ะขอให้เราเอาตรงนี้ถ้าชีวิตเราไม่ดีก็แสดงว่ามันเป็นวิบากของบาปที่เราทํามาในอดีตเถ้าชีวิตมันดีก็ถือว่าเป็นบุญเป็นผลบุญที่เราทํามาก่อนหน้านี้เนี่ยแต่บุญที่เราบาปที่เราทําในวันนี้อาจจะยังไม่ส่งผลฉะั้นอย่าชะล่าใจว่าเอ้อวันนี้เราทําบาปแต่เรากลับถูกคอตเตอรี่อย่างนี้ อย่าไปคิดว่ามันเป็นคนละเรื่องกันการถูกคอเกตอร์่อาจจะเป็นผลบุญที่เราทําไว้ในในอดีตมันมาส่งผลตอนนี้แต่ผลบาปที่เราทําตอนนี้มันยังไม่มีเวลาที่จะส่งผลอย่าไปอย่าไปคิดเดี๋ยวมันจะทําให้หลงผิดเดี๋ยวทําบุญแล้วมีแต่เจอเรื่องวุ่นวายก็จะคิดว่าทําบุญแล้วไม่ดีทําบาปแล้วได้แต่ของเรื่องดีก็จะคิดว่าทําบาปแล้วดี มันเป็นจังหวะของผลกับการกระทําในปัจจุบันมันอาจจะมาจ้าเอ๋กันก็ เ, เลยทําให้เราคิดว่ามันเป็นผลจากการกระทําในปัจจุบันแต่ไม่ใช่เอิกกะผลต่างๆที่เกิดขึ้นในวันนี้มันเกิดจากเหตุในอดีตเออผลของเราที่เราทําในวันนี้มันจะต้องรอวันพรุ่งนี้หรือวันต่อไปมันถึงจะเกิดคําถามจะคุณลูกบอล น, นะครับ ถ้าปัจจุบันยังไม่ถึงอริยะบุคคลแต่พอตายจิตสุดท้ายละแล้วปล่อยทุกอย่างลงแบบนี้จิตสุดท้ายจะถึงอริยะบุคคลหรือเปล่าครับถ้าตอนนี้ยังปล่อยไม่ได้อย่าไปหวังจิตสุดท้ายให้ปล่อยเลยไม่มีวันที่จะปล่อยหรอกถ้าปล่อยก็ปล่อยตอนนี้เสียทำไมรอจิตสุดท้ายถ้าตอนนี้ปล่อยไม่ได้แล้วจิตสุดท้ายมันจะปล่อยได้ไงจิตสุดท้ายก็จิตวันนี้แหละใช่ไหม ถ้าเกิดตายวันนี้จะทําไงถ้าปล่อยไม่ได้วันนี้แล้วจะไปปล่อยตอนไหนมันปล่อยไม่ได้หรอกอ ย, อ, อย่าไปเพ้ออย่าไปคิดเพ้อฝันอย่างนี้ก็ไม่ต้องปฏิบัติเสิร้อยห้รอให้ถึงจิตสุดท้ายแล้วก็ปล่อยไม่มีทางจะปล่อยได้หรอกมันจะปล่อยได้มันก็ต้องปล่อยตั้งแต่วันนี้แล้วปล่อยวันนี้แล้วมันจะตายวันไหนมันก็เป็นจิตสุดท้ายได้ทุกเวลามันก็ปล่อยได้ทุกเวลาคําถามจากคุณยานิฐานนะครับ การถือศีลแปดวันพระจะต้องเริ่มวันไหนคะเริ่มตั้งแต่วันโกดหรือวันพระก็เเริ่มตามหลักตามหลักเวลาของพุทธศาสนาเรานับวันตั้งแต่ตะวันขึ้นมาพอพระอาทิตย์ขึ้นเนี่ยเเรียกเป็นวันวันใหม่ละแล้วก็จะบวดก็วันวันรุ่งขึ้นวันที่พระอาทิตย์ขึ้นอีกครั้งหนึ่งถึงจะครบวันเนี่ย หนึ่งคืนกันหนึ่งวันเวลาจะรักษาแล้วเราเร า, เราจะรักษาตั้งแต่เราตื่นขึ้นมาสมมติวันนี้เป็นวันพระพรเราตื่นขึ้ น, นมาเราก็รักษาไปแล้วก็จะเลิกรักษาในวันพรุ่งนี้หลังจากที่เราตื่นขึ้ น, นมาในวันพรุ่งนี้ก็ถือว่าวันพระได้ผ่านไปแล้วเราอย่าไปรักษาแบบสากลนะเดี๋ยวพอเที่ยงคืนก็กินมาม่าได้นะ <c oughs> <c oughs> สากลนี่เขาวันใหม่เริ่มที่หลังจากเที่ยงคืนใช่ไหย อย่างที่เราเขาดาาวันปีใหม่กันเนี่ยพอพอเลยเที่ยงคืนไปปั๊บเป็นวันใหม่ก็ชงมาม่า ก, กันได้พกที่ถือศีลตายก็ถือว่าจบแล้วเป็นวันใหม่แล้วยังต้องรอให้สว่างก่อนถึงจะชงมาม่าได้ถึงจะกินได้คำถามจากคุณสุ ข, ขุมนะครับเราสามารถตรวจสอบตัวเองได้อย่างไรครับว่าตัวเรามีพัฒนาการในการภาวนา ดูการกระทําของเราหรือดูจิตของเราว่าจิตเราสงบมากขึ้นหรือหรือฟุ้งซ่านมากขึ้นโลภมากขึ้นหรือโลภน้อยลงเนี่ยดูโลภโกรธหลงดูความสงบจะเป็นตัวตัวชี้บอกว่าเราจะเจริญก้าวหน้าหรือไม่จเจริญนก้าวหน้าเลยพูดง่ายๆก็คือความโลภโมโทสันของเรามากขึ้นหรือน้อยลงถ้ายังมีความโลภโมโทสันมากขึ้นก็แสดงว่าไม่ก้าวหน้าถอยหลัง ถ้าโลภโมโทสารน้อยลงไปก็ก้าวหน้าโกรดน้อยลงไปโลภน้อยลงไปหลงน้อยลงไปจิตมีความสงบมีความสุขมากขึ้นโดยที่ไม่ต้องมีอะไรไม่ต้องมีอะไรมาทำให้สุขสุขจากความสงบคำถามจากคุณด็เตอร์พิสิทธ์นะครับคารวาจะสามารถปฏิบัติตามหลักสติปักฐานสี่ได้หรือไม่ครับ ได้ทั้งนั้นน่ไม่ว่าจะเป็นพระหรือคาลว่าจะปฏิบัติก็ได้ถ้าไม่ปฏิบัติก็ไม่ได้ถ้าเป็นพระไม่ปฏิบัติมันก็ไม่ได้เป็นคาลว่าถ้าปฏิบัติก็ได้มันอยู่ที่ว่าจะปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติคำว่าพุทโธนี่มันยากแค่ไหนใครๆก็ปฏิบัติได้ใช่ไหมพุทโธนี่ก็เป็นการเจริญสติแล้วหรือการเท้าดูการเคลื่อนไหวในอิริยาบถต่างๆ ร่างกายกำลังทำอะไรก็ให้เฝ้าดูมันไปอย่าให้มันไปคิดอะไรใครๆก็ทำได้เด็กก็ทำได้ผู้ใหญ่ก็ทำได้ผู้หญิงก็ทำได้ผู้ชายก็ทำได้มันไม่ยากเย็นอยู่ที่ว่าจะทำหรือไม่ทำนั้นเองแต่ที่ที่พระเจ้าสอนนั้นสอนพวกพระเพราะว่าพวกพระนี่เขาเห็นว่าการที่จ ะ, จะเจริญสติได้อย่างสมบูรณ์ได้อย่างรวดเร็วนี่ต้องเป็นนักบวช เพราะจะไม่มีอะไรมาบรบกวนถ้าเราทำงานเดี๋ยวก็มีเรื่องนั้นเรื่องนี้มาบรบกวนการจดจ่อของใจเราใจเราต้องไปคิดไปแก้ปัญหาแล้วเดี๋ยวมันก็ฟุ้งขึ้นมาแต่ถ้าเป็นนักบวชมันไม่มีปัญหาที่จะต้องมาคอยแก้ไม่มีเรื่องมีดาวที่จะต้องวางแผนต้องทำอะไรเน้นถ้าพูดว่าการปฏิบัติการเจริญสตินี้ระหว่างนักบวชกับฆรวานี่เป็นอย่างไหนดีกว่า เป็นนักบวชดีกว่าแต่คาว่าเป็นนักบวชถ้าเป็นนักบวชแล้วไม่ปฏิบัติไปทําิกิจอย่างองื่นมันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรนั่นก็มันไม่ได้อยู่ที่เพศโดยตรงไม่ได้อยู่ที่การเป็นนักบวชหรือไม่เป็นนักบวชปฏิบัติได้ทั้งสองเพศนแต่ถ้าให้เลือกถ้าเป็นถ้าปฏิบัติด้วยกันทั้งคู่เป็นนักบวชปฏิบัติมันจะได้ผลเร็วกว่าเป็นคารวาสปฏิบัติ คำถามจากคุณนิพนธ์นะครับจากผู้ฝากถามอยากจะถามว่าผมใช้เวลานั่งไปนานๆอยู่ดีๆก็เหมือนมี อ, ะ, อะไรมาข่มจิตลงเรื่อยๆจิตโค้งเคง้งจนรู้สึกอึดอัดเหมือนจะขาดใจก็ไม่มีพุทโธไม่มีสติกํากับใจจิตมันก็แสดงอาการเหล่านี้ออกมาจิตมันสามารถทําอะไรแปลกๆหลายอย่างได้ถ้าเราไม่คอยคุมมันไว้ เราต้องคอยคุมด้วยสติอย่างใดอย่างหนึ่งพุทโธแล้วดูลมหายใจเข้าออกอย่านั่งเฉยเฉยนั่งเฉยเฉยแล้วเดี๋ยวจิตนั้นก็จะเหมือนกับสุนัขที่เราไม่มีเชือกผูกมัดมันไว้ปล่อยให้มันทำอะไรตามอำเภอเดี๋ยวมันก็ไปกัดนู่นกัดนี่เดี๋ยวมันก็เห่านู่นเห่านี่ขึ้นมาแต่ถ้าเรามีเชือกมีอะไรมาคอยคุมมันไว้ถ้ามันเห่าเราก็มีอะไรมาปิดปากมันไว้มัดปากมันไว้มันก็เห่าไม่ได้ จิตเราก็เป็นเหมือนสูนักถ้าเราปล่อยมันเอาอิสระเดี๋ยวมันก็จะแสดงอาการต่างๆขึ้นมาดัางั้นเวลานั่งเราต้องควบคุมมันต้องมีอะไรผูกมัดมันไว้ไม่ให้มันแสดงอาการต่างๆขึ้นมานคว่าสติก็คือเชือกที่จะคอยควบคุมใจเราถ้ามีสติแล้วใจก็จะไม่สามารถที่จะผลิตอาการอะไรต่างๆขึ้นมาได้ คำถามจากคุณสุพนานะครับเมื่อเช้าตื่นมาลมหายใจเข้าออกแรงๆพร้อมกับพุทโธเป็นอัตโนมัติพอมานั่งสมาธิทำใจสบายๆก็มีแสงสว่างสีเหลืองจ้านั่งดูไปร้อนทั่วร่างกายรู้สึกเหงื่อออก นี่คือนิมิตใช่ไหมคะนี่คือนั่งแบบไม่มีสติแล้วนั่งสบายๆก็แสดงว่าไม่ได้นั่งดูลมไม่ได้พุโทโธอะไรพอนั่งสบายๆเดี๋ยวมันก็โผล่ขึ้นมาแล้วก็ม า, าวุ่นวายกับมันว่าเป็นอะไรขึ้นมามันเป็นอาการของจิตทั้งนั้นจิตแสดงผลิตขอ ง, งต่างๆโผล่ขึ้นมาถ้านั่งสบายๆมันก็จะเป็นต้องนั่งแบบไม่สบายต้องนั่งแบบพุโทโธนั่งแบบดูลมแล้วมันจะไม่มีอะไรโผล่ขึ้นมา ชอบนั่งกันอย่างเงี้ยนั่งสมาธิแต่ไม่รู้ว่าวิธีนั่งสมาธินั่งกันยังไงนั่งหลับตาแล้วก็ปล่อยให้มันมีอะไรชายออกมาเหมือนก็นั่งดูหนังอย่างนั้นถ้านั่งดูหนังมันก็อย่างเงี้ยก็จะเจอหนังแปลกๆให้ดูดงั้นอย่าไปนั่งดูหนังการนั่งสมาธินี่นั่งเพื่อข่มใจเพื่อทําใจให้สงบไม่ให้มันคิดปุงแต่งไม่ให้มันผลิตอะไรต่างๆขึ้นมา ก็ต้องมีสติอย่างใดอย่างหนึ่งจะพุโทโธก็ได้จะดูลมหายใจเข้าออกก็ได้เ อ, อ้ยกรรมฐ า, านอย่างอื่นก็ได้เครื่องกำกับใจนี่มีอยู่สี่สิบชนิดด้วยกันเราถนัดแบบไหนก็ใช้แบบนั้นไปอย่างเมื่อวานก็มีคนถามเรื่องกระสินเรื่องสีจัเพ่งสีก็ได้หลับตาแล้วนึกถึงสีเขียวหรือสีอะไรสักสีหนึ่งแล้วก็พยายามให้มันมีปรากฏขึ้นมาในใจของเรา สีนั่นออกมาแล้วให้อยู่กับสีนั้นเพียงอย่างเดียวจิตมันก็ไม่สามารถไปผลิตเรื่องอื่นได้ไปทำเรื่องอื่นได้ yeah. สำหรับคาถามของบางท่านที่ถามมาถ้ายาวมากไปนะครับบางทีมันอ่านไม่ได้นะครับในแอปนะครับแล้วก็คำถามของบางท่านที่เขียนคํามาไม่ค่อยเหมาะสมผมไม่อ่านนะครับคําถามจากคุณด็อร์พิสิทธ์นะครับ mm hmm. ขอกราบพระอาจารย์อธิบายหลักการปฏิบัติขั้นจิต ตาลุปัสสนาและธรรมารุปัสสนาครับเล้วมันก็ต้องผ่านขั้นสติก่อนเนะี่ยถ้ามันไม่มีสติมันก็ไปไม่ได้ต้องเจริญสติให้ได้ก่อนทําจิตให้รวมให้ได้ก่อนมันถึงจะไปทางวิปัสสนาได้วิปัสสนาก็ต้องขั้นร่างกายก่อนต้องผ่านร่างกายไปพิจารณาร่างกายว่าเป็นตายรักเกิดแก่เจ็บตายเป็นธรรมดาไม่เดือดร้อนไม่ทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายไปก่อน แล้วก็ไปขั้นเวทนาเวทนาก็มีสุขมีทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์เวทนาเวลาทุกข์ก็อย่าไปเดือดร้อนปล่อยมันไปเป็นเรื่องของเวทนาใจไม่ได้เป็นเวทนาใจเป็นผู้รู้ก็สักแต่ว่ารู้ไปมันต้องไปเป็นขั้นแล้วจากนั้นก็ไปถึงขั้นจิตจิตก็มีอารมณ์ต่างๆมีอารมณ์ดีอารมณ์เศร้าหมองอารมณ์ผ่องใสก็รู้ทันมันอย่าไปหลงกับมันอย่าไปยึดไปอยากมันรู้ว่ามันเกิดแล้วก็ดับเป็นมันมาแล้วก็ไป ถ้าไปอยากวมันก็จะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาธรรมานุสติก็คือการดูว่าเรามีธรรมที่ที่ควรจะมีหรือไม่เรามีอริยรรสัจสี่หรือไม่เรามีโพชิชงเจ็ดหรือไม่ถ้าเรามีการตัดสรตว ก, ก็ใกล้แล้วเข้าใจไหมถ้าเห็นอริยรรสัจสี่ภายในใจทุกครั้งเวลาที่เราไม่สบายใจเห็นว่ามันเกิดจากความอยากของเราไม่ได้เกิดจากคนอื่น แต่ตอนนี้ถ้าเวลาเราไม่สบายใจแล้วเราไปโทษคนนั้นคนนี้ก็แสดงว่าเรายังไม่เห็นอริยสัจสี่่วนมากเราจะไปโทษคนอื่นใช่ไหมเวลาเราไม่สบายใจบันด่ากู้เนี่ยวะเขาไปโทษเขาแล้วความจริงเราไม่ชอบให้บันดา่าเราเลยทุกข์เข้าใจไหมความอยากไม่ให้เขาดา่ามันเลยทําให้เราทุกข์อย่าแทนที่จะมาแก้ที่ความอยากไม่ให้เขาดา่ากลับไปแก้เขา <c oughs> กลับไปด่าเขากลับไปบอกให้เขาหยุดดา่าเราแล้วเขาไม่ยอมหยุดดา่าจะทำไง เนี่ยเกิดยังไม่เห็นอริยสัจสี่ภายในใจถ้าเห็นแล้วจะไม่ไปโทษใครความไม่สบายใจความทุกข์ใจของเราเกิดจากความอยากของเราเองแก้ที่ตรงนี้แล้วก็จบเขาอยากจะทิ้งเราก็ปล่อยก็ทิ้งไปสิก็จบละถ้าเราอยากให้เขาไม่ทิ้งเราเราก็เราก็ทุกข์เราก็วู่หน่ายใจแล้วก็ไปแล้วก็ไปโทษเขาไปว่าเขาเราไปห้ามเขาได้ป่ะเขาจะทิ้งเราก็จะจากเราไปมันก็ห้ามไม่ได้ นี่คือการเห็นธรรมขั้นธรรมานุสัตเห็นธรรมเห็นอริยสัจ ส, สี่เห็นว่าตอนนี้จิตของเราทุกเพราะเรื่องนั้นเรื่องนี้เห็นว่าเรามีปัญญาเห็นว่าปัญหาของเราไม่ได้อยู่ที่เรื่องนั้นเรื่องนี้แต่อยู่ที่ใจของเราไปอยากให้มันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้พอเราไม่มีความอยากแล้วมันก็ไม่มีปัญหาเลยคำถามข้อสุดท้ายกันนะครับอาจารย์<อ>คำถามจากคุณบาสนะครับ นั่งสมาธิแล้วเหมือนร่างกายขยับเคลื่อนไหวได้ครับเหมือนมีพลังงานบางอย่างครับนั่งแบบไม่มีพุโทโธเนี่ยชอบนั่งแล้วก็ปล่อยให้มันสแสดงอาการแปล ก, กๆขึ้นมามันก็หลอกเราอีกครับว่ามีร่างกายเคลื่อนไหวไป น, นู่นไปนี่ก็จิตมันหลอกร่างกายมันจะเคลื่อนไหวได้ไงมันนั่งอยู่เฉยใช่ไหมเนี่ยเพราะว่ามไม่มีพุโทโธแล้วไม่มีสติกำกับใจนั่งแบบสบายๆนั่งดูใจ ใจมันก็เลยแสดงอาการต่างๆให้เราเห็นหลอกเราไปเรื่อยๆนั่งอย่างนี้ไปจนวันตายก็ไม่มีไม่มีวันที่จะได้ผลยังไม่มีความสงบจะมีแต่ปัญหาตามมาแล้วดีไม่ดีไปเจอเห็นอะไรที่น่ากลัวก็จะไม่กล้านั่งอีกต่อไปนี่คือการนั่งแบบไม่มีไม่มีไม่ได้ศึกษาวิธีการนั่งที่ถูกต้องว่าเขานั่งกันยังไงนึกอยากจะนั่งก็นั่ง นั่งแล้วก็นั่งเฉยๆดูมันไปพอดูมันก็สแสดงอาการต่างๆขึ้นมาก็หยุดมันไม่ได้ถ้ามีสติมันมันมีอะไรเกิดขึ้นมาเราก็หยุดมันได้เราก็พุโทโธพุโทโธไปเดี๋ยวเดียวมันก็หายไปแล้วเอาแล้วนะพออย่างพอแล้วเข้าใจอ่ไม่มีใครยังคะถามึงนะโอเคถ้ า, างั้นก็ขอให้นำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัต